อาจารย์ครับกล่าวรำราการครับชลันพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองรอยี่สิบสองแล้วนะครับอาจารย์วันที่สองสองเลยครับอาจารย์ครับเลขสวยครับไม่สวยเลยม่ออกไม่ออกเลยเรายังมีลุ้นต่อวดนหน้า อาจารย์ครับเมืเช้าคนไปบินไปใส่บาทเดียวมั้ยครับผมก็เท่าเดิมประมาณ476คนประมาณครับตอนบ่ายประ200คนออนไลน์คนที่ฝากตอนเช้าคนฝากประมาณสัก200ครับผมก็รวมนั่ก็ประมาณ200กับ6 0 0กว่า <6. S 2> ตอนบ่ายก็คนมาที่หน้าคุติประมาณสองร้อยครับแล้วก็รวมกับที่บ้านก็แปดร้อยกว่าแปดพกว่าโอตอนนี้ตอนนี้คืนนี้ก็ได้พันกว่าอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้แปดร้อยตอนนี้เก้าร้อยห้าสิบประมาณนั้นครับเกแบบแบบือบเกือบพันคนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เห็นว่าเลขสวยสองสองสองครับอาจารย์ก็เลย ขอตั้งชื่อที่ผมคิดว่าใครๆก็อยากจะฟังครับตั้งแต่เป็นเป็นเรื่องแผนที่บรรลุธรรมตั้งแต่การปฏิบัติจากเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดครับพระอาจารย์ครับกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผมคือสิ่งแรกที่เราต้องต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่เป็นสถาบันการศึกษาเหมือนกับมาหาลัยต่างๆ ที่สอนวิชาต่างๆวิชาทางแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่เป็นต้นนักศึกษาก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องการจะเรียนวิชาไหนถ้าเรียนแพทย์ก็ต้องไปเรียนที่คณะแพทย์ถ้าต้องการเรียนวิศวะก็ต้องไปเรียนที่วิศวะฉั้นคนที่มาทางพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่ก็เป็นเหมือนนักศึกษา นักศึกษาแพทย์เหมือนกันเน่แพทย์ทางจิตคือต้องการมารักษาโรคของจิตคือโรคของความทุกข์ของจิตเพราะว่าได้พยายามรักษาโรคของความทุกข์ทางจิตโดยวิธีอื่นมาเช่นส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ลาบยศสรจฉิเห็สุขคือโลกธรรมนี้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ทางใจของเรา แต่เราก็จะเห็นว่าต่อให้เราได้ราบยศะาสนาสุขม า, มากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ในใจเรามันก็ยังไม่หมดไปก็เลยต้องมาพึ่งทางทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คน้นพบวิธีการดับความทุกข์ทางใจแล้นำมาเผยแผ่สั่งสอนแล้วก็ถ่ายทอดกันมา เป็นอายะเวลาสองมานาหร้อยกับปีเห็นคนที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมจริงๆต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับที่เรียนแพทย์เนี่ยถ้าเกิมาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นว่าก็เรียนแพทย์เท่กําัเรียนกับเขาจะจบไม่จบก็มไม่สนใจเพียงแต่ว่าขอให้ได้เข้าแพทย์แล้วก็อยู่ไปวันๆหนึ่งเรียนบ้างไม่เรียนบ้างอย่างนี้มันก็ไม่จบแพทย์ ว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าตอ้องการจะมาจบเป็นแทย์หรือเปล่าดังั้นคนที่จะมาเรียนพุทธศาสนานต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนประวัติชัดเจนก็คือต้องการมาศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทางใจที่ไม่มีวิชาใดในโลกนี้สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้นอกจากวิชาของพระพุทธศาสนานั้นนั้นอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องมี คือเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้สถาบันไหนให้สามารถตอบโจทย์ของเราได้ <Yeah. S 1> เราก็เราต้องการดับความทุกข์ทางใจเราก็ทำมาที่ศึกษาที่พุทธพุทธศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับมหมออะไรที่รักษาโรคโรคทุกข์ทางใจให้หายได้ถ้าศึกษาและปฏิบัติได้สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ ยังต้องมีเป้าหมายชัดเจนของผู้ผู้ผู้ที่จะเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเราต้องรู้ว่าพุทธศาสนา น, นี่สอนอะไรอยาถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเรารู้ว่าสถานที่ที่เราเข้ามาเนี่เขาสอนวิชาอะไรตรงกับโจทย์ที่เราต้องการหรือเปล่าตอบโจทย์ของเราได้หรือเปล่าถ้าได้เราก็มาเรียนกันมา ก็เหมือนทั่วไปเบื้องต้นท่านต้องมีการศึกษาทฤษฎีก่อนพุทธศาสนาท่านก็สอนให้มีปริยัตปฏิบัติปฏิเวทแบ่งเป็นสภาคส่วนในการสามขั้นตอนของการศึกษาขั้นแรกก็ให้ศึกษาทฤษฎีทฤษฎีที่ ส, สาคัญในพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสีกับไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาที่จะตอบโจทย์ ที่จะบอกว่าทุกของเราเกิดจากอะไราการจะดับความทุกนี้ดับได้อย่างไรนั่น็อยู่ในอริยสัจสี่ 4. ถึงแรกเราต้องศึกษาคืออริยสัจสี่ 4. คืออะไรคือทุกข์ข้อที่หนึ่งความทุกข์ทุกข์ทุกอะไรทุกเกิดจากอะไรทุกข์ก็เกิดจากเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บเวลาที่ตายเวลาที่เจอกับของที่เราไม่นักไม่ชอบ ในเวลาที่เราสูญเสียของที่เรารักเราชอบไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะรวยหรือจะจนจะใหญ่หรือจะเล็กต้องเจอความทุกข์เหล่านี้ทงนั้นลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้มีกันหากันม า, มาก ม, า, กม า, กายกลกองขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้นอกจากความเข้าใจในในอริยสัจสี ว่าความทุกข์ทางใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราล้าอยากไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบพอเจอเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าทำไงอยากจะให้เราไม่ทุกข์เราก็ต้องละละความอยากอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดภาพอยากไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบ <karaoke. S 2> เวลาเราเจอกับความแก่เราก็จะไม่ทุกข์เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ทุกข์เจอกับความตายเราก็ไม่ทุกข์ <L> เร า, เราต้อง <L> ไปละความอ <L> ยากอันนี้ให้ได้ความอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายเราจะละได้ยังไงตอนนี้เราไม่มีกําลังที่จะหยุดมันนะเราคุยทางทฤษฎีได้อยู่พต่ทางปฏิบัตินี่เรายังยังกลัวความเจ็บอยู่กลัวความตายอยู่กลัวความแก่ เราก็ต้องมาดับความกลัวนี้ด้วยการเจริญข้อที่สี่คือมักคือการปฏิบัติเพื่อละความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจการปฏิบัตินี้ท่านก็แ บ, บ่งไว้เป็นแปดข้อใหญ่ๆแปดข้อน้่ยกันเรียกมัฟที่มีองค์แปดเราก็มาสังเกตดูว่าบปดองค์นี่เ ร, มมงงเร า, ม, า, ร า, ามีอะไรบ้าง ข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเรามีความเห็นที่ถูกต้องหรือย่าง wishing, ว่าความทุกข์ใจเราเกิดจากความอยากของเราเองและการทิฉ ะ, ะความทุกข์ทางใจได้เราต้องสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นไตร์ักเจริร่างกายของเรานี้เราอยากให้มันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงเราอยากให้มันเป็นตัวเราของเราแต่มันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราเห็นหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราเห็นแต่เรายังไม่มีกำลังปล่อยก็เราแสดงว่าเรายังคาดมรรคที่มีองค์อื่นอยู่ที่เรายังไม่ได้สร้างขึ้นมาขั้นต้นเราอาจจะไม่มีเราจะมีทฤษฎีความเห็นอริยสัจ ส, สี่นี่เรียกสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักเนี่ยร่างกายเป็นไจรักเป็นอนิจจังทุกขงังนัตตา ทีนี้เราจะทำาไงต่อไปมรคมีองค์แปดขั้นแรกก็คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นเห็นไตรลัแล้วมรคองค์ที่สองเรียกว่าสัมมาสังรัปปะความคิดที่ถูกต้องคิดอย่างไรถึงถูกต้องก็คิดว่าเราต้องละความโลภความอยากให้ได้แล้ววิธีที่ละความอยากให้ได้คือเราต้องสร้างมรคขึ้นมานอกที่มีองค์แปด นี่คือข้อที่สองของมัดของข้อข้อที่สามก็คือมักข้อที่สามก็คือสัมมารกรรมโตการกระทําที่ถูกต้องคือการกระทําที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจนอกจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้ ว, ลวเรายังมีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทํำบาปด้วยการกระทําที่ไม่ถูกต้องเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การขโมพื่อ ผ, ผิดในกลางนี่เรียกว่าเป็นการกระทํา ที่ไม่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาทำให้มันถูกต้องด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเป็นต้นเราก็นำมาสู่มรรคข้อที่ 4. สี่สัมมาวาจาวาจาที่ชอบที่ถูกต้องเป็นยังไงก็คือไม่พูดปดเนี่เราต้องพูดแต่ความจริงเพราะเวลาพูดปดเราจะทำให้ใจเราทุกข์ใจเราจะไม่สบายเพราะเรารู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะถูกเช็คยินก็ได้ ีข่าวอยู่เรื่อยๆนะคนที่พูดปลดเราะพอถูกจับได้นี่ก็เสียหน้าเสียตาเสียชื่อเสียเสียงเวลาเราพูดปดนใจเราจะมีความกังวลมีความทุกข์ใจนี่คือการกระทาทางกายทางวาจาที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจคือการทำบาปเราก็ต้องเราก็ต้องละเว้นในการไม่กระทําบาป ไม่ฆ่าสัตว์ไม่นักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมนี่คือสัมมารกรรมันโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดความจริงไม่พูดปลดแล้วก็มาสู่ข้อที่ข้อที่ห้าสัมมาชีวะเราทาอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าเพราะการไปทําอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเดี๋ยวนอนมันจะทําให้เราทุกข์ใจได้ นั่นน่ะเราอย่าไป ท, ทําอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําแล้วไม่สบายใจคุณหมอทําอาชีพรักษาพยาบาลคนไข้นี่ทำแล้วมีความสุขใจเได้เห็นหคนไข้เขาหายจากอาชีพของเราแต่ถ้าเราทําให้เขาตายนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกไม่สบายใจนั่นก็ต้องมีอาชีพที่ชอบอาชีพที่ถูกต้องก็ อ, อาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่น ไม่เบียดเบียนทาให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนอย่าไปทําอาชีพเหล่า น, นั้นแล้ะนี่คือมรรคอง์ที่ห้าองที่อ่าอง์ที่ห้า ท, ที่เราต้องตรวจตาดู ว, ว่าตอนนี้เรามีหรือเปล่าแล้วมรรคอง์ที่หกคืออะไรความเพียรชอบความความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องคืออะไรก็คือขยันรักษาคือขยันไม่ทําบาปขยันไม่พูดโสดขยนัน มีอาชีพที่ถูกต้องขยันคิดในสัมมากัมมันโตก็คิดคิดในเรื่องของการละความอยากต่างๆเป็นต้นนี่คือความเพียนเพียนให้เพียนสร้างสมาธิและสร้างปัญญาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นม า, า, า, ม า, นมาคือมรรคองที่เจ็ดองที่แปดนี่คือการมีสติกับมีสมาธิ ถ้าไม่มีสตินี้ใจจะลอยไปลอยมาใจจะ อ, อ่อนแอใจจะไม่มีกําลังละความอยากได้ต้องมีสติที่สามารถทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้สมาสมาธิก็คือจิตนวงเป็นอัปปนาสมาธิเข้าสู่รูปฌานสี4ได้อุเบกขาถ้าเราได้สติที่ต่อเนื่องจนกระทั้งเราสามารถนั่งสมาธิเข้าสู่รูปฌานได้ เราก็จะมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคือมรรคองค์ประกอบแปดองค์ด้วยการที่เราจะเป็นจะต้องมีขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะละความอยากที่มีอยู่ในใจของเราเราก็ลองมาตรวจตาดูตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ในใจเราหรอย่างเรามีศีลหรือยังเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดในการมหรือย่างอไม่ดื่มของมึนมามหรือย่างเราไม่พูดปดด้วยอย่าง แล้วก็มาดูว่าเรามีอาชีพที่ชอบหรือยงังแล้วกดูว่าเรามีความเพียกระยันนักเพียรในการเจริญสตินั่งสมาธิหรือไม่เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิใจเราจะไม่มีกำลังที่จะไปละความอยากตามตามที่เราได้เรียนมาในสมาทิฐิได้ว่าเราต้องรับความอยากต่างๆต้องหยุดความอยากต้องทำให้ใจเฉย เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ที่เราจะทําให้ใจเฉยๆไม่อยากได้ไหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือไม่เนี่ยนี่คือขั้นขั้นแรกของการศึกษาให้เช็คดูว่าเราขาดอะไรบ้างเมื่อเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างเราก็ต้องปฏิบัติมากไป ถามวเริ่มเนี่ยต้องรักษาศีน่าสีน่ายเป็นอย่างน้อยแล้วก็ขยันหมันเพียรในการเจริญสตินั่งสมาธิอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะได้เอามาเอามาละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจให้ได้ถ้าเรามีสมาธิกําลังพอมีบอรเบรขานเวลาเราเจอกับความทุกข์เราก็จะรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก ถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็หยุดความอยากถ้าเรามีสมาธิที่มีกําลังในระดับอุเบกขาเราก็จะหยุดมันได้พอหยุดได้เราก็จะบรรลุถังขั้นต่างๆเพราะถังขั้นต่างๆทั้งเกิดจากการหยุดความอยากในระดับต่างๆนั่นเองอันนี้คุยในข้อสรุป ก, ก่อนก็คือศึกษาก่อนแล้วดูเช็คดูว่าเรามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเราเรียนวิชาอะไรมาแล้วยัง บางทีเราอาจจะมีวิชาบองวิชาเราเรียนมาในชาติก่อนก็ไดนะ้ช่วเราก็ือาจจะรักษาศีลมาตลอดอยู่แล้วเราก็เช็คอันนี้ได้ว่าตอนนี้นลลเรามีศีลนะเรารักษาศีลห้าได้หรือเปล่ารักษาศีลแปดได้หรือเปล่าเราไปอยู่แบบนักบวชได้หรือเปล่าอ น, นี้ก็ต้องเช็คดูถ้าได้ก็ดีเพราะการเป็นนักบวช น, นี้จะทําให้เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่มีเวลาที่จะเจริญสติได้ทั้งวันนั้งคืนมีเวลาที่นั่งสมาธิ ให้เข้าฌานใ้ได้เอพอเรามีสมาธิเราก็มาสอนใจว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องหยาบไปหยาบเวลาเกิดอะไรขึ้นมาต้องทําใจเฉยๆเวลาจะแก่ก็เฉยๆเวลาเจ็บใคยได้ป่วยก็เฉยๆเวลาจะตายก็ให้เฉยๆเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ พระอาจารย์จะนิสัยชาติก่อนนี้อย่างคนที่เคยฝึกสมาธิมาเนี่ยพอมาถึงชาตินี้เขาก็จะเข้าได้ง่ายเลยเหรอครับนนได้อย่างพระพุทธเจ้าใน ต, ตอนที่เป็นเด็กๆ น, นี่ย<ม>พออยู่ตามลาพังองเดียวไม่มีใครห้อมล้อมจิตก็ลงเข้าสมาธิได้เองเลยที่ที่ไม่เข้าสมาธิได้เพราะตลอดเวลามีแต่บริษัทบริวารคอยย<ม>ดูคอยเฝ้าดูแลรับใช้ตลอดเวลาคอยหารูปเสียงจิตเด้นมา มาเสิร์ฟอยให้ท่านเสพอยู่เลยท่านก็เลไม่มีเวลาที่จะทําใจให้สงบได้พอมาวันหนึ่งพวกบริษัทบริวารเขาติดภารกิจทางด้านอื่นปล่อยให้ท่านนั่งมาทําอยู่ใต้คนต้นไม้ต่างลําพังพอบรรยากาศมันกายวิเวกเกิดใจสงบกายสงบรอบตัวไม่มีอะไรมารบกวนใจที่เคยสงบมันก็เข้าของมันไปนเลยมันก็เข้าสู่สมาธิได้เลย เรอเคยคิดทางปัญญาแล้วคอยคิดด้วยเหตุด้วยผลก็จะก็จะคิดวิเคราะห์ไปทุกอย่างด้วยเหตุหาเหตุหาผลว่าทุกเกิดจากอะไรทำไมาเราต้องทุกข์คนไหนคนมานี่เะก็เจอว่าเกิดจากความอยากของเราเองอันนี้มันของที่สะสมมาที่เรียกบาลเมีิ0ครับพระโพธิสัตว์นี่สะสมบาลเมีิ0มาก่อนแล้วทานบาลเมก็ทำอย่างเต็มที่แบบพระเวสสันดร สินบามีก็รักษามาอย่างเต็มที่ทุกอย่างนี่เต็มที่หมดขาดปัญญาตัวเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ไม่เต็มที่ยังไม่มองยังไม่มองไม่เห็นอริยสัจสี่ก็ต้องมาเพียรพยายามต้องมาบวชถึงหกปีด้วยกันจนกว่าจนถึงถึงเวลาที่จะเข้าถึงอริยสัจสี่ได้ตอนตั้งใจอาศัยครูบาอาจารย์รุอื่นให้สอนก่อน ครูอาจารย์รู้เหมืาสอนวิธีดับความทุกข์ได้เพียงแค่ในระดับฌานรู้ประฌานหรืออรู้ประฌานไม่มีใครรู้วิธีของปัญญาเป็นอย่างไรเมื่อไม่สามารถดับความทุกข์ได้ตลอดเวลาดับได้เพียงยเฉพาะเวลาเข้าฌ า, พานพอบรรโุ ย, ยังไม่สําเร็จก็เลยต้องไปเพี่ยรพยายามไปทดลองวิธีต่งตางๆคิดว่าการทรมานร่างกายด้วยการเป็นรับประทานอาหารจะทําให้ดับความทุกข์ เี่ยวความตายของร่างกายได้มันก็ไม่มันก็ยังกลัวตายอยู่ดีถึงแม้ว่าจะไม่กินข้าวตั้งสี่เก้าวันก็รู้ว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจก็เลยเปลี่ยนวิธีมาพิจนารณาเข้าสมาธิให้จิตสงบพอออกจากสมาธินั้นก็พิจนารณาค้น ค, นคนหาเหตุครับผมว่าทุกข์เกิดจากอะไรนั้นนิสกคติเพราว่าเกิดจากตัณหาความอยาก ต่างๆก า, าลรละความการจะละก็ต้องมีจิตที่มีกําลังระดับสมาธิระดับรูปฌปานก็ทงกัลละได้ทันทีเลยเพราะท่านมีสมาธิอยู่แล้วพอท่านพิจารณาด้วยปัญญาว่าอ๋อความอยากนี่เองที่ทําให้เราทุกข์เราก็หยุดปัญเสียพออย่าไม่เสียปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้าลมไฟ เราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายถ้าอยากก็ทุกไปเบาๆแต่ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกุดทนจากความทุกได้ด้วยปัญญาเนี่แต่ถ้าไม่มีก็ต้องมาฝึกกันคนที่ยังรักษาศีลไม่ได้ก็จมาฝึกรักษาศีลก่อนพอรักษาศีลได้ก็อาจจะไปบวชได้ เรายังอาจจะไปบวชไม่ได้เพราะว่าถึงแม้จะมีศีลแต่ใจยังไม่สงบพอจจยังหิวโหยกับกรูปเสีองอยงกลิ่นทอนอยูก็ยังไปบวชไม่ได้ <Okay. S 1> ก็ อ, อาจจะฝึกสมาธิไปก่อนให้สามารถเข้าสมาธิให้ได้ก่อนถ้ามีศีลและเข้าสมาธิด้านนี้ไปบวชไดนะ้อย่างนั้นก็ต้องมีศีลเขาจะมีศีลพอก็สามารถไปบวชเป็นพระได้มีกำลังจะรักษาศีลได้ ที่ก็ต้องพียพยายามเจริญสตินั่งสมาธิให้เกิดสมาธิขึ้นมาให้ได้แล้วก็ศึกษาคลมค้าอริยสัจสี่ศึกษาให้เข้าหลักเข้าใจเข้าใจหลักอริยสัจสี่เข้าใจหลักตายรักหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนั่นเป็นทุกข์อพราไม่เทียงอพราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราอยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าเพราะเราไม่สามารถสั่งมันให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ อย่างนั้นแสดงว่าผมอาจจะมีตั้งแต่เด็กมาไม่ฆ่าสัตว์เลยครับอาจารย์อาจจะเป็นนิสัยที่เคยฝึกมาเคกมมารับผเป็นมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่พระอาารมีมรณะสติใช่ไหมครับพระอาจารย์ตอนอายุ12ไปเห็นตอนอายุ12เห็นคนตายเห็นเด็กเพื่อนท่องเรียนด้วยการตายเห็นศพของเขาแล้วมันก็พิจารณาครอบไ่หมดเลยเห็นว่าทุกคนที่เกิดมาต้องตาย อย่ยังก็ยังไม่รู้วิธีก็ยังกลัวความตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวแต่รู้ว่าต้องตายอรู้ว่าจะทํางไงให้มันไม่กลัวความตายนี่ยังยังเข้าไม่ถึงมาเข้าไม่ถึงบางทีตามที่มันได้หนังสือธรรมะเกี่ยวกับอนิจจามะอ่าเกี่ยวกับตายรักมะอ่านท่านว่าร่างกายมันต้องตายเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงธรรมชาติของมันต้องตายห้ามันไม่ได้ที่เราไปทุกข์กับมันก็เพราะเราไปยึดไปติดมันอยากจะให้มันไม่ตาย ถ้าไม่จะทุกข์ก็ต้องปฏิบัติสมาธิทางใจ ใ, ให้ได้ง่ายสงบปล่อยวางเป็นที่มาของการจะต้องไปปฏิบัติเราไม่ยังไม่มีสมาธิตอนนั้นไม่มีสมาธิ เ, า เ, า เ, าเาราฝึกนั่งสมาธิหนึง่งก็โชคดีนั่งแล้วไม่นั่งไม่นานจิตก็สงบได้ผ่ายความเจ็บได้นในระดับหนึง่อองก็รู้ว่าอสมาธินี้จะช่วยให้เรา ความเจ็บได้ผ่านความตายได้ mm hmm. ก็ต้องฝึกสมาธิให้จิตมัน่นคงให้จิตวางเฉยให้ได้แล้วก็พาไปพิสูจน์พาล่างกายไปพบกับความตายหรือว่าทําใจให้เฉยได้ระบาดมาอยู่ในสถานที่ที่อาจจะเกิดภัยอันตรายต่อล่างกายของเราได้เช่ mm hmm. นเดินในที่มืดในปา่าเนี้เดินขึ้นไปใจมันก็ปรุงคิดว่านเดียวจะเหยียบมูมูจะมากาะ ริงคิดยิงกลัวใหญ่แต่พอ ไ, ได้ได้สติได้ปัญญากลับมาบอกว่าคนเรามันก็ต้องตายไม่ใช่หลวันใดวันหนึ่งถ้ามันจะเป็นวันนี้ก็ยอมตายเสียดีเลยจะได้หมดเรื่องหมด ล, วลาวไปอ้าวมันก็เลยปลงายอมตายถึกโอกาสตายก็ยอมพอยอมปั๊บจริงๆนี่ความกลัวตายหายไปเลยใจสงบเย็นสบายขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาเราไม่กลัวตายต่อไป มรณะสติพอได้สมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับาอาจารย์มันต้องเห็นว่าเห็นตายรักวางร่างใายนี่เป็นตายรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยมมนณะตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ให้เที่ยงไม่ได้สั่งให้มันอยู่ไปตลอดไม่ได้วันในวันหนึ่งมันจะต้องตายนอก น, น, นั้นเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่ว่าเราปล่อยหรือไม่ปล่อยเรายอมรับความจรงิงหรือไม่ยอมรับความจรงิงถ้ายอมรับความจรงิจรงว่าเราจะต้องร่างกายนี้ต้องตายในวันใดวันหนึ่ง ถ้าพอเราไปเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นคามตายเราก็จะได้พิสูจน์อยู่ว่าเราปล่อยได้หรือไม่ได้ครับแต่พระอาจารย์โดนงูกัดจริงนี่ครับอาจารย์อันนี้อันนี้มันนานหลังจากหลังจากการปฏิบัตินานๆนะอันนี้ก็เวลาถูกกัดมันก็เฉยๆมันก็มันก็รู้สึกเฉยๆไม่เป็นไรหรือว่าก็ต้องไปรักษาเท่านั้นเองครับอันนี้ตอนหลังแล้วใช่ไหมครับหลังวันนั้นหลังจากการปฏิบัติผ่านเป็นานแล้วหลายปีตอนนั้น อารปฏิบัติ น, นี้อยู่ในสมัยอยู่ที่บ้านมันตาตอนที่ไปไปพิจารณาความตายเนี่ยอยู่ในบ้านตาและป่ามัานตาเราเลยได้ทดสอบได้ข้อสอบจริงเลยว่าเขาอาจารย์แต่มันก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่แล้วก็ทําจิตจำใจสองอย่างมีมีทางสองทางไม่หายก็ตายแต่ตอนนี้ต้องเปลี่นเป็นโรงพยาบาลหน่อยก็เลย ไ, ไป เขาประตเรียกคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไมา้อยู่ใกล้ๆกับที่เราถูกมูกันเนี่ยเป็นเรียกปลุกเขาขึ้นมาตั้งแต่ตสี่กว่าตีสี่ที่ตอนเดินนะอนนนอกมาเบนทบาบนะตอนเช้าเพอเชิญไปส่งโรงพยาบาลหน่อยที่ถูกมูกันดรู้สึกจะเป็นงูงูอะไรงูกระปะ๋างูกระปะะา๋าเ่าก็รีบไปส่งพอไปบอกทางโรงพยาบาลเป็นงูกระปะาเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้ฉีดว่า เสียงลมเสียงามให้นะ ว, ว่าที่วันทำไ ม, ไม่ฉี่สัทีรีดมาแนะเขาบอกไอ้นี่ต้องรอหกชั่วโมงก่อนครับเดูว่าพิษกับงูกับปลานี่มันแพร่ไปในกระแสะเลือดเรื อ, อยังถ้าเข้าแพร่ไปแล้วก็ยาด้วยไปเตือนดูว่าเลือดจะแข็งตัวหรือไม่ถ้าเลือยังแข็งตัวอยู่ก็แสดงว่าพิษไม่มากพอว่าอาจจะเป็นตอนเช้างูมันอาจจะกัดสัตว์อรือไมไปแล้ว ความมากันนะพิษมันอาจจะมีน้อยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ซีรั่มก็ได้เพราะวันรอหกชั่วโมงก่อนนอเกือบเที่ยงของวันนี้ทุกวันเขาแอดมิดอยู่ให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอหกชั่วโมงแล้วเขาก็เอาลูกไปตรวจรอหกชั่วโมงเลือดไปตรวจจำไม่ไดาข้างหน้ามันมันขึ้นหรือยังไม่ทราบแต่ครั้งที่สองกับครั้งหน้าเนี่ยมันขึ้นนะพอตรวจเนือดแล้วมันเริ่มไม่แข็งตวัวนะเขาก็เลยริ่มให้สีรั่มมาให้ ให้ให้ให้ครั้งแรกก็ยังแข็งยังไม่แข็งตัวก็จะให้ทั้งอีกหกชัว่วโมงให้ครั้าหลังจากนั้นถึงจะเริ่มแข็งตัวขึน้นมแต่ตอนที่ถู ก, กถูกกัดตอนนั้นมันมันปวดตั้งแต่ที่เท้าที่มันกัดมาถึงขึ้นมาตามขึ้นมาตามลําแข้งเยแบนไม่ได้เลยมันปวดแล้วเส้นเลือดที่มันมันเป็นเป็นเป็นเส้นเลือดสีดําเนี่ยเพลิดของยายของโม ท, ที่มันกัดนะ เหนเชนเดินให้กลายเป็นสีดําขึ้นมาขอบคุณครับอา จ, <laughs> <laughs> จารย์เล่าประวัติให้ฟังครับอาจารย์ครับมีคนถามต่อครับบอกว่าตอนที่อยู่บ้านาพระอาจารย์ได้สนทนากับหลวงพ่อปัญญาบ้างไหมครับก็ได้สนทนากันบ้างแต่ไม่มากเพราะว่าเราค่าอนข้างที่จะไม่ไม่ที่นัานท่านไม่อนุญาตให้คุยกันอยากให้ภาพไปเปรีกวิเวได้อยู่กัน นั้นบางทีนานๆก็เวลาเจอกันก็เจอคนกันคำสองคำอะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดอะไรมากช่วงที่มาฉันน้นําปณะร่วมกันที่ลงฉันน้นําปณะอยู่เดี๋ยวอพอลงตามาก็ต้องกระเจอกันนะถ้าไม่ต้องการให้สมาคมกันถ้านอ <c oughs> นุญา <c oughs> ตด้วยความเมตตาให้เรามาเติมน้นําปนะกัน ห, หน่อยเติมน้ําตบน้ําตาน้ําหมานอะไรให้มีพลังให้กับร่างกายนิดหน่อย แต่ความจริงท่้นเห็นภัยของการมารวมกันว่าเดี๋ยวต้องคุยกันแน่ะท่านก็ลเลยต้งดนตรวจอยู่แม้ทุกครึ่งชั่วโมงท่านก็เดิน่าข้างๆท่านข้างแรเห็นเรายังไม่เป็นไรแต่ครั้งที่สองอีกครึ่งชั่วโมองมายัางเห็นท่านนั่งอยู่นี่นี่โกยได้เลยถ้าไม่โ ก, ก้เดี๋ยนถามถ้านมาทําอะไรให้นี่ต้องงานครับบอกไปภาวนานดีกว่าไหมโอ้ อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดคำถามในแง่ของการปฏิบัติแล้วตอนนั้นอยู่เราต้องถามใครอระครับอาจารย์ก็พอดีท่านเทศอย่างละเอียดเนี่ยหนังสือไอ้ที่เล่มที่ทางเข้าสู่นิพพานอะไรเนี่ยเนี่ยเล่มนพดีท่านเทศในช่วงที่เราอยู่พอดีเราอยู่ช่วง2518ถึง2526เทศก็อยู่ในนั้นหมดละเอียดยิบเลยไม่ต้องไม่ต้องถามอะไร เพราะท่านเทศเทศฟังอย่างละเอียดกูบายวิธีการปฏิบัติต่างๆเราก็น้อมเนาไปปฏิบัติใช้ได้ประโยชน์ก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องถามท่านเลยมีคนสอบถามครับพระอาจารย์ลงให้ฟังทำหน้ากุฏิเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์แล้วกับวันวันพระแล้วก็วันยุทธขัดตระเล่นวันอยู่ราชการต่างๆวันหยุ่ธนาคารด้วย ราชการด้วยวันนั้นที่ย่านโยไม่ต้องทำงานก็เขาก็จะมีเวลาว่างมาทำเทตก็เลยก็ต้องเทิดวันนั้นเมื่อก่อนเราอยู่บนเขานี่โดนโดนโดนโดนบังคับโดยปริยาเทิดทุกวันเลยเพราะมีคนมาทุกวันแต่คนไม่มากคนส่วนใหญ่จะมามามากในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเราก็เลยเปลี่ยนมาขอเทิดแค่เฉพาะวันเสาร์ที่กัวันพระแล้วันหยุดนักขัตตระ ตอนนั่งประเทศชั่วโมงนึงแต่เดี๋ยวนี้ขอลดเหรือครึ่งชั่วโมงจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็แบ่งเปินเปลี่ยนในครึ่งชั่วโมงมาเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิได้สมาทิฏิได้ได้สมาสมาธิได้สมาสติได้สัมมาวายามความเพีย คุณแม่ฝากถามครับว่าสะดวกทำวัดเช้าแต่ถ้าไม่ได้ทำวัดเย็นจะมีผลอย่างไรไหมครับก็เหมือนกินยาครั้งเดียวก็ได้ครึ่งเดียวถ้ากินยาสองครั้งก็ได้ไ ด, ได้สองเท่าการทำวัดก็เป็นการฝึกสตินั่งสมาธิการเรีสติสมาธินเองแล้วก็บัญญาด้วยถ้าเราเข้าใจบทสวดที่เราสวดกันเพระมีบทพระสตูตรต่างๆที่เราต้องสวดกันเช่นสวดสวดธรรมจักบ้างสวดสติปัฏฐานสาูตรบ้างอะไร ถ้าเราสวดแล้วเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาเข้าใจทฤษฎีของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจะแก้คุณใสแบบพุทธต้องทําอย่างไรครับก็อย่าทําบาปทํากรรมดีนั่นเองวิธีแก้ไม่ต้องไปทําอะไรอย่าไปทําบาปทำแต่กรรมดีคุณใสทําอะไรเราไม่ได้ครับ เป็นคํามหลงเชื่อของเราไปเองถึงที่มันทําร้ายเราก็คือกรรมกรรมไม่ดีของเราเองไม่ใช่อะไรที่ไหนสิ่งนี่คุณประโยชน์กับเราก็คือการกระทําความดีของเราไม่ได้อยู่ที่คุณใสไม่ได้อยู่ที่หงจุง้งหงจุงย้ยหรืออะไรทั้งหลายทั้งดั้งดวงดาวดวงเดือนอะไรต่างๆมันไม่เกี่ยวกันหนี่เป็นเรื่องศีตลตรรมตาปรมา ท, ทั้งนั้นคือไม่มั่นใจในกฎแห่งกรรมเนี่ยคําว่าศีลธรรปรมาไม่มั่นใจในศีลธรรม วุฒิามในศีลลธรรมว่าเป็นตัวที่จะชี้ให้เราดีหรือชั่วอยู่ที่ศีลธรรมของเรานะี่แหละถ้าเราทำดีรักษาศีลเราก็จะไม่เราก็จะดีเราทำชั่วเราเราก็จะไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่การกระทำของเราเมื่ออินทรีย์ห้าจเจริญเต็มที่แล้วและจะเพิ่มหรือต่อ ย, ยอดเพิ่มขึ้นไปพะละห้าหนูใครควร โนหกไข่ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ชี้แนะว่าการทําให้อินทรีห้าพัฒนาเป็นพละห้าควรอาศัยหลักใดเป็นสําคัญครับก็วิริยะก็ต้องเพิ่มวามเปลี่ยนมากขึ้นไงถ้าเราทําวันละสองชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนเป็นทำวันละสิบชั่วโมงไงพระปฏิบัตินี้ท่านทําวันละสิบสี่ชั่วโมงความเปลี่ยนเออสิยี่สิบชั่วโมงท่านนอนสี่ชั่วโมงอีกยี่สิบชั่วโมงที่ฉนจเจริญ จะเรียนิยาตลอดเวลาจะเรีนสติทั้งแดงเหลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลักเนี่ยจเรียสติอย่างต่อเนื่องสลับของการนั่งสมาธิคุณแม่อาการไม่ดีแต่คุยได้ลุ้นกันวันต่อวันลูกไม่รู้จะใช้ธรรมะข้อไหนนั่งสมาธิทุกวันแต่ก็ยังปวดใจครับกรลุนนุ่นในกนารสาดแช่งท่านไปเลยต้องตายแน่ๆตายแน่ๆ ยอมรับความตายใช่แล้วเราก็จะาหายทุกข์เพราะต้องตาแน่ๆไม่มีใครหนีพ้นความความตายไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าศาสตรแท่งจริงๆนะแต่เป็นความจริงที่เราไม่ยอมรับกันใจเราเลยกังวลกังวายกันแต่ถ้าเรารับความจริงได้ว่าต้องตายแน่ๆปั๊บเลยบรรจาหายกังวลกวายเลยไม่จะกังวลกวายกันเลยแม้ๆๆแต่จะรู้ว่าต้องตายแน่ๆเตรียมจองสาลาไว้ได้เลยลงหน้าก่อนก็ได้ แต่ทำนี้ไม่ได้ในสายตาชาวบ้านวจะโดนดา่านะเป็นเรื่องภัยในใจของเรา ต, ต้องยอมรับความจริงว่านี้ไม่ไดีเราอาจจะตายก่อนท่านก็ได้ใครยังไม่รู้เคยมีคนที่ไปเยี่ยมอ่ยมพ่อของเราที่โรงพยาบาลยมพ่อเราไม่สบายเป็นมะเร็งแต่คนที่ไปนี้เป็นความดันไปเยี่ยมแล้วกลับมาบ้านกลับตายก่อน ว่ามันคนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่นอนคือต้องตายแน่ๆให้คิดอย่างนี้ก็แล้วเราจะสบายใจถ้าไม่สบายใจก็แสดงว่าใจเราอย่างไม่สงบพอก็เราไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นให้ใจนิ่งให้สงบพอที่ยอมรับความจริงได้หนูเพิ่งจะโดนลักทรัพย์มาครับให้คนทำรับผลบาปไปใช่ไหมครับ เราแต่เราจะคิดยังไงก็ได้ขอให้เราไม่ไปทุกข์กับมันก็แล้วกันเราคิดว่ามันไม่ใช่เงินของเราก็ได้เป็นเงินของเขาเขามาฝากเราไว้แล้วตอนนี้ก็มาขอคืนไป mm hmm. <laughs> ก็ได้หรือชาตก่อนเราเคยเป็นหนี้เขาวันนี้เขามาถ่วงหนี้เราไปหรือถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปที่บ้านให้เหนื่อยยากมีคนมารับถึงที่บ้านเลย คุณหนุ่มน้อยนะครับคําถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งคนที่มีความสุขมากตลอดชีวิตหรือเปล่าครับหลวงตาครับคุณยายต้องการให้หลานสวดมนต์ถ้าคุณยายบังคับหลานสวดมนต์อันนี้บาปไหมครับถ้าเราพูดถึงความสุขใจนี่พระพุทธเจ้านี่มีความสุขมากตลอดชีวิตเลยพระพุทธเจ้าผ้าหานทุกโลกนี้ท่านมีความสุขตลอดเวลา เ, เรื่องการบังคับหลานให้สวดมนต์นี้เป็นความหวังดีเพราะว่าบางทีถ้าไม่บังคับก็จะไม่ทํา มืนกับบังคับให้กินข้าวอย่างนี้ยถ้ามันหนูไม่กินข้าวหนูก็จะพร้อมพร้อมสู้ไม่มีเรื่องไม่มีแรงอาจจะเจ็บคไายได้ป่วยได้ผู้ใหญ่ก็ต้องบังคับาให้เรากินข้าวใจเราก็เหมือนกันการสวดมนต์นี่ก็เป็นเหมือนให้ให้ให้ใจเราได้กินข้าวอาหารของใจคือการสวดมนต์คุณยาจะเห็นว่าใจเรานี้สู้พร้อมก็เลยอยากจะให้ใจเรานี้สมบูรณ์แข็งแรงก็เลยบังคับให้เราสวดมนต์ ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดเป็นบุญข้อที่สองครับสวดทาวัดเช้าสวดตอนบ่ายได้ไหมครับได้จะสวดสลับกันเอาเอาวัดเช้ามาสวดตอนบ่ายเอาวัดเย็นมนาะสวดตอนเช้าก็ได้มันก็เป็นแค่ บ, บทสวดบนเท่านั้นเองลูกชายผูกคอตายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับจะทำอย่างไรให้สบายใจขึ้นและยอมรับความจริงได้ครับก็เข้าไปแล้ว เมือแก้วที่มันแตกแล้วเราทำให้มันกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่มันจะแตกได้ไหรือไม่ไม่ได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถทําร่างกายของเขาให้กลับมาเหมือนตอนที่เขายังไม่ตายได้ไหรือไม่ก็ไม่ได้เหมือนกันร่างกายเขาแตกกลายเป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟไปหมดแล้วเป็นอดีตไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันเท่านั้นเองเวลาคิดถึงมันก็หยุดความคิดด้วยการสวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันไม่เกิดประโยชน์อะไร คิดแ้าเรา้าอย่าไปคิดถึงมันเหตุใดแต่ละภพแต่ละชาติของการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์จึงมีแต่เรื่องหนักๆใหญ่ๆต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงบ่อ ย, อยๆครับเพราะท่านอยากจะทำเต็มที่ท่านทำเลยทำน้อยๆน้อย ๆ, ๆทำาิดเดีย1สิบาทยี่สิบบาทไม่ไม่ถึงใจทำทีครึ่งมีสมบัติอยู่น้อยนึงก็ทำไปห้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ย มันทำแล้วมีความมันมีความสุขใจทำอะไรที่มันเยอะๆมันจะมีมรู้สึกมีทําให้ใจมีพลังขึ้นมาอย่างถ้าเจอความทุกข์ยากลำบากเท่าไรยิ่งดีเพราะท่านมีความเห็นว่าทุกข์บ่หมีปัญญาบ่เกิดนถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องมีความทุกข์เพราะว่ามีความทุกข์เราต้องใช้ปัญญาแก่อย่างอื่นแก้ไม่ได้ความทุกข์ทางใจต้องใช้ปัญญาเป็นเป็นเครื่องมือที่แก้กับสมาธิสองอย่างนี้ คุณแม่ที่ถามสักครู่กลัขอขอบไปบอกกคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับ mm hmm. ปฏิบัติบางทีไม่ค่อยก้าวหน้าเหมือนติดอยู่ตรงกลางครับรู้สึกท้อครับเดี๋ยวให้ก้าวหน้าปฏิบัติให้มันมากขึ้นก็คอยเก่าสิเหมือนขับรถนะถ้าเราเหยียบแค่นี้มันก็วิ่งได้แค่นี้ถ้าอยากจะให้มันเด็มกว่านี้ก็เหยียบคันเร่งให้มันลึกให้มันมากขึ้นไปสิแล้วนมันก็จะพุ่งปุ้ยขึ้นไปเลยเพิ่มความเพียร ถ้าไม่ก้าหน้าให้เพิ่มความเพียรถ้าปฏิบัติวันละชั่วโมองก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมองสามชั่วโมองแล้วเราประกันได้ลักก้าวหน้านะแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยนะต้องมีข้อแม้อยู่ว่าปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกแล้วมันก็จะก้าวหน้าอย่างแน่นอนหากมีคนแนะนำว่าให้ดื่มวายถ้วยเล็กรักษาความดันไว้ดื่มวายผิดศีลข้อห้าไหมครับ คือมันก็อยู่ในอยู่ในสินข้อหนะ้าแต่ความจริงมันยังมันเป็นอบายมุกมันยังไม่เป็นการกระทําบาปคือเรายังไม่ได้ไปทําให้ใครเขาเสียหายหเดือนร้อนจากการดืม่มของเรายกเว้นว่าถ้าเราเดื่มมากมากแล้วเมาที่เราไปขับรถมันเจ อ, อุบัติเหตุต่างๆอเงี้อันนี้มันก็เป็นที่มาว่าเราไม่ควรจะเดือดร้อนกันเพราะการดื่มนี่เล็กน้อยนี่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นพอต่อไปมั น, ม, นมันจะไม่ได้อยน้อย น, นจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้ววันใด้วันหนึ่งเวลาอารมณ์ไม่ดีก็จะเดือดทั้งขวดเลยก็ได้ เ, เดือดทั้งขวดแล้วก็เป็นระบายเท่นี้อารมณตัวเองเอารวาใส่คนนั้นใส่คนนี้ขึ้นมางั้นท่านเลยห้ามมาให้ไปเดือดฉลา ด, ดีกว่าเพราะพอเปิดช่องแล้วเนือบมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาต่อไปได้ตอนนั้นตอนนี้อา จ, จะไม่มีเหตุไม่มีผลเสียหายกับใครเดือดแค่นิดเดียวเพื่อความดันอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดวันดีขึ้นดีเกิดกมีเรื่องเศร้าใจทุกข์ใจ ไม่สามารถทําให้มันหายได้ก็เดี๋ยวให้นเราเสเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปมันก็ยะอะไรเพอาะมีเาแล้วมันก็จะไม่ไม่มีสติยับยั้งการกระทําการการพูดที่ไม่ดีได้ก็ยจะไปทําบาปได้ยังไก็ไม่ควรเดี๋ยวนีดีกว่าเรียนท่านพระอาจารย์เมตตาชี้แนะอุบายความเพียรด้วยครับก็ทําให้มากขึ้น ง่ายนั่งสมาธิกําหนดเวลาเสี่วันหนึ่งเราจะนั่งกี่รอบเราอบกี่นาทีก็กําหนดไปสติแล้วก็กําหนดว่าเราจะเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับมันต้องมีสติก่อนถี่จะนั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีสตินั่งใบใจก็ฟุง้งใจก็ไม่สงบเมิ่มต้นตัง้งตัง้งตัง้ต ง, ต ง, ตงความเพียรที่สติก่อนเหมือนเจริญสติตั้งแต่ เ, เปิดตาขึ้นมา ผูกใจไว้อยู่กับพุโทโธก็ได้ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายก็ได้ให้ใจไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วพอมเวลาว่าเมื่อเวลาที่เรากําหนดให้นั่งสมาธิเราก็มานั่งสมาธิกันเาอาจะทําจากน้อยไปหามากก่อนก็ได้เพราะถ้าเราไปตั้งมากๆแล้วเรากาจะทําไม่ไหวพอทําไม่ไหวแล้วเราก็จะไม่อยากจะทําเลยเลิกทาเลยก็ได้ยิ่นทําน้อยๆก่อน ท, ทําเท่าที่กําลังเราสามารถทําได้ ล้วค่อยพัฒนาเพิ่มไปทีละเก้าสองเก้าเพิ่มไปเรื่อยๆหนังสือทางเข้าสู่นิพพานจะหาได้จากที่ไหนครับอาจารย์คือคุณหมอต้องแจกไปไใช่ตอนที่นักเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ครับเว็บไซต์พระสุชาติ .com ก็มีให้ดาวน์โหลดได้ของเราที่นี่แจกไปหมดแล้วครับ <laughs> คุณสิดิบิดครับบอกสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเน้นสอนธรรมะใช่ไหมครับมีเรื่องอะไรเงินเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าครับก็พระพุทธเจ้ามีกิจที่พระองค์ทรงกระทำเป็นประจําวันเรียกว่าพุทธกิจห้าข้อแรกก็คือตอนเช้าเสด็จออกบินตบาทอันนี้เนี่ยฝังเนื้องทองของพระองค์เองท่านทรงบินตบาทไม่ไม่รอให้คนอื่น เ, เอาอาหารมาถวายที่กุฏิท่านออกไปโปวดสัตว์เพราะว่าไงได้ั้ได้ไประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ก็จะผู้ให้จะได้ทาําบุญกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะได้ทําตัวอย่างที่ดีให้กับพระภิกษทุที่มาบวชใหม่ให้รู้ถึงความจำเป็นของกาลเัี้ยงชีพของพระที่ถูกต้องต้องเล่นเนื้อชีพในการบินทบาลเพราะการบินทบายนี้ต้องทําความเพียรต้องขยนนันเดินต้องมีความอดทนเป็นต้นันกิตข้อที่หนึ่งที่ทําทุกวันก็คือบินทบาย กิจข้อที่สองตอนบ่ายแสดงธรรมปวดศรัทธาย่าอยู่ผู้ของฆราวาสผู้ของเนรข้อที่สามตอนค่ําแสดงธรรมปวดพระภิกษุภิกษุณีข้อที่สี่แสด ง, ออ 4, สดงตอนดึกแสดงธรรมปวดเทวดาวข้อที่ห้าตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาตทรงรายงานดูว่าอันนี้จะไปแสดงธรรมปวดใครเป็นกรณีพิเศษนี่คือเกจของพระเจ้าที่ทรงกระทาทุกวัน ไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไม่มีการเลื่ยลายเงินเนื่อลายทองเพื่อมาสร้างสิ่งต่างๆทาวเวและวัตถุดดต่างๆอันนี้ท่านปล่อยให้เป็นศรัท ธ, ธาของผู้ของผู้ที่อยากจะสร้างกันซึ่งสมัยนั้นก็มีเศรษฐีเป็นส่วนใหญ่เศรษฐีพระราชามีเงินมีทอก็สร้างวัดถวางพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้าจะจา่าเล็กมาอยู่เรื่ อ, อยๆพระเจ้ายังไม่อยู่กับที่ไง จะจาริกไปถ่ายสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้กระจายธรรมะให้กับผู้ที่ไม่ไม่มีโอกาสได้ได้ฟังได้รู้นี่เวลาท่านเสด็จไปลงไหนถ้านมีเศษชีเขาก็จะสร้างกุฏิสร้างวัดให้ให้ท่านอยู่ภเวลาพระเจ้าไปก็มีพระติดตามไปด้วยเป็นคารวะมีต้องปรารชิกทางธรรมห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานหรือปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นบ้างไหมครับ ไม่มีคารวะก็ไม่มีข้อห้ามยังสามารถไปปฏิบัติธรรมได้อยอยากลองเริ่มต้นสี้นแปดสัปดาห์ละหนึ่งวันขอพระอาจารย์ให้ปัญญาด้วยครับก็อย่างน้อยก็หนึ่งวันนะครับตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้วันพระนี่แหละคือวันที่เรามาปฏิบัติธรรมกันถือสิ้นแปดเจริญสตินั่งสมาธิตลอดทั้งวันทัน้งคืนยกเว้นเวลาหลับแต่สมัยนี้ เราอาจจะต้องเปลี่ยนวันพระมันให้มันตรงกับวันหยุดทํางานของเราเพราะถ้าเราไปยึดปฏิทินเดิมเดี๋ยววันพระต่อไปตอนที่วันพระตรงกับวันเสาร์ต่อไปก็จะตรงกับวันอาทิตย์แล้วต่อไปก็จะตกกับวันจันทร์ไล่ไปเรื่อยๆพอไปตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติทําได้เพราะเราต้องไปทํางานแัง้นเราควรจะเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทํางานของเรา เช่นถ้าเราหยุดวันเสาร์หรวันอาทิตย์เราก็เลือกวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพระของเราแล้วเราก็าวันนะั้นว่าเป็นวันที่เราให้มาปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยากละความเป็นโทสะจริตของตนเองครับขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําครับวิธีแก้โทสะเดยๆก็คือให้เจริญเมตตาให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้มองผู้อื่นว่าเป็นเหมือนเพื่อน เพื่อนกันเป็นเมตกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะเราทุกคนนี้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกั น, กน like kitchen, ไม่มีความจําเป็นจะต้องมาสร้างความทุกข์ให้กับกันและกันมากกว่าความทุกข์ที่เราต้องเจอกันอยู่แล้วคือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายมันก็สาหัสสาหกันอยู่แล้วมันจะเป็นที่เราจะต้องเพิ่มความทุกข์ด้วยการไปทําร้ายผู้ อ, อันนี้ต้องมีความเมตตาให้อภัยเวลาผู้อื่นเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจหรือเสียหาย เราอย่าไปอาฆาตพยาบามอย่าจองเวรจองกรรมให้อภัยแล้ววิธีแก้เหตุของความความโกรธก็คือเราเป็นคนชู้จี้จุกจิกนั่นเองเต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ให้คนนั้นก็ทําอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้พอเขาไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็โกรธเขาการนั้นต้องลดความจู้จี้จุกจิกของเราด้วยการเปลี่ยนนิสัยให้มันเป็นคนที่มีความมั่ความสโดบ เคยินดีตามมีตามเกิดยินดีกับการกระทําของคนอื่นเขาจะพูดดีก็ได้ก็จะพูดไม่ดีก็ได้เขาจะทําดีกับเราก็ได้ทำร้ายเราก็ได้ให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วความโกรธจะน้อยลงไปหรือไม่มีเลยระหว่างสวดมนต์แบบบาลีกับสวดแบบคําแปลควรจะสวดแบบไหนดีกว่ากันครับคือถ้าเราสวดคําแปลได้เราก็จะม่เข้าเราก็จะได้เรียนรู้บทสวดว่ากำลังสอนเนื่องอะไรอยู่ ที่เราสวดบทธรรมจักรเป็นบาลีเราก็จะไม่เข้าใจความหมายของบทที่เราสวดแต่ถ้าเราสวดเป็นภาษาไทยเราก็จะเข้าใจความหมายวราพระเจ้ากรลงแสดงธรรมเรื่องอะไรอยู่ก็เรื่องอริยรรสัจสีเรื่องมรรคแปดในธรรมจักรถ้าเรารู้สึกว่าโกรธเพื่อนร่วม ง, งานแต่เราก็เลี่ยงไม่พูดไม่คุยทําเป็นเหมือนไม่มีเขาอยู่ในที่ตรงนั้นอันนี้เราทําถูกหรือผิดครับ ก็ก็อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นแสดงความเสียการแสดงที่ไม่ดีออกไปทางกายหรือทางวาจาแต่ใจเรายังอาจจะขุนโวอยู่ก็ต้องดูว่าใจเราขุนโมหรือเปล่าถ้ายใจเราขุนโมอยู่นี่ก็ยังไม่ถูกใจเราต้องไม่ขุนโมเราต้องไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาเลยในทางที่ไม่ดีต่างๆด้วยการให้อภัยเขาหรือด้วยการลดความอยากของเราเราก็ไม่พอใจเขาเพราะเขา เขาทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากให้เขาทำก็ได้เราก็ต้องมองว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรนีเราห้ามเขาไม่ได้ไปล่อยเขาทำไปเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาเวลาที่เขาทำอะไรที่เราไม่พอใจตอนอยู่บ้านตากพระอาจารย์ได้มีโอกาสสนทนากับหลวงปู่เชอรี่ไหมครับ ก็ได้คุยกันตอนที่มาฉันน้ำํำน้ำป่า น, น้าตอนบ่ายเนะี่ยคุยกันบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ก็ไม่มากพรรู้ว่าเป็นต้องต้องรีบนะรีบฉนันให้เสร็จแล้วจะได้รีบไปเดี๋ยวหลวตาท่านมาใช้กรอบสองเราเจอกันอยู่ไม่ได้แนละ้วจนเนี้ยเราที่สายตั้งแต่บวชมาเนี่มันตั้งแต่ก่อนบวชมันมันอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วมันไม่อยากจะยุ่งอะไรมันอยากจะปฏิบัติอย่างเดียว งันพอไปอยู่ที่ไหนกับใครที่ไหนเราไม่ยุ่งกับใครเนี่ยไปอยู่วัดยาสีสิบปีเราไม่ยุ่งห้าสิบสีสิบปีไม่ได้ยุ่งกับใครเลยแล้วก็อยู่ของเราคนเดียวเนี่ยทํากิจของเราคนเดียวทํากิจเสร็จแล้วกลับมาอยู่ที่กุฏิไม่ยุ่งกับใครนอกจาเวลามีภารกิจต้องทําก็ก็ทําไปตามภารกิจนั้นครับนอกจากนั้นแล้วก็ขอเราชอบปรกมิ้งเองชอบอยู่คนเดียวครับพระอาจารย์อยู่บนเขาชีโอนกี่ปีอะครับพระ ก็สามสิบปีได้ประมาณแล้วขึ้นไปอย่งนีปีสามศูนย์แล้วก็นี่ลงมาก็ประมาณปีหกหกูนย์มั้หกศูนย์ลงมาอยู่ข้างล่างสามสิบปีแล้วตอนไปเทศที่ศาลาบนเขานี้ตั้งปีไหนครับอาจารย์ครับก็ประมาณสักสิบปีมาได้สิบปีไม่สิบสิบกว่ปีมาเนี้ย<อ>ที่ตั้งแต่เร้่มีการ คือการเทศเบื้องต้นก็เป็นการเทศแบบปปายคณะใครมาหาก็ไม่มีแม้ไม่มีกำหนดเวลาตายตัวใครมาหาถ้ามาเยอะก็ไปคุยกันที่ศาลาถ้ามาน้อยก็คุยกันที่กุฏิบา<ช>งทีก็คนสองคนมาหาเอาสังฆทานมาถวายก็คุยธรรมะกันให้พรให้ศีลให้พรใส่เข ก, กับบางทีมากณะหใหญ่มารถตู้สองส า, า, ามคันคณะจนเราทำนี้ก็มาเดือนละครก็ต้องไปคุยคุยกันที่ศาลา แล้วคุยกันก็เทศธรรมะให้เขาฟังไปเพราะิ่นตอนตอนงแต่คณะตอนนี้ตอนนั้นทําแบบปาไปแล้วจะมาทําแบบจริงๆอย่างยังแบบทุกวันนี้การใชโช่วงที่เขาเริ่มมีเฟซบ o ๊กขึ้นมาแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาทําเพจ a c e b o o k แล้วก็ถ่ายทอดสดได้นะถ่ายทอดสดได้ต้อถ่ายทอดทุกวันเขาอาสามาถ่ายทอดทุกวันครับก็เลย ถ, ยถ่ายทอดสดตั้งแต่ตอนนั้น นี่อย่างคนอยากจะค่อยค้นหาว่าไอ้เพจที่เราเริ่มต้นนี้มันริวันที่เท่าไหร่ในที่ไปดูได้ไหมอ๋อเดีย<อ>วเยวของเฟซนี่เขามีไหมของของ youtube นี่มันมีบอกว่าวันเริ่มต้นเท่าไหร่เมือ่อไร่แต่ของของ facebook นี่ค้นหาไม่เจอว่าวันเริ่มต้นนี่ไปดูที่ไหนก็ไม่ทราบอาจจะมีเพื่อนสื่ใครรู้อาจจะช่วยแจ้งมาบอกก็ได้อยากจะได้รู้ว่าเพจของเรานี้เริ่มต้นทำมาตั้งแต่วนันเมื่อไหร่ครับอาจารย์เดี๋ยวคง ม, มีคนตอบแนะครับ ตอนนั้นคุณก่อนพี่บอยนี่ชื่อพี่เบสหรืออะไรกันไหมครับอาจารย์ที่เริ่มมาถ่ายเขาชื่อผมยังได้ฟังแกพูดสฆษณากับพระอาจารย์อยู่บ่อยๆครับตอนนั้นจมชื่อไม่ได้อยู่พัทยาเนี่ยเบื่องต้นใ น, นกากตอนนั้นแ ก, นนนกทำสถานนี้อยู่ที่ UFM อยู่แล้วแกคิดว่าจะมามามาถ่ายทอดผ่านทวิตที่ UFM ของแกเป็นสถานทวิที่เราเรียกว่า หมู่บ้านนี้สถานีหมู่บ้านดยแต่ก็จะเอาเอาโทรศัพท์มาจอที่ไหนแล้วก็ส่งโทรศัพท์ไปเข้าเครื่องถ่ายแล้วพอดีช่วงนั้นเขาได้ไปเปิดเ c e b o o k ขึ้นม า, ขาเขาตอนนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ถ่ายทอดผ่านทางสถา น, นีวิธีแล้วก็เลยให้มาใช้ทางเอฟทางทางเ facebook แทนชื่อต่อชื่อต่อไช้ที่ต่อใชชื่อคนต่อใชครับหลังจากนั้นคุณบอยก็มาช่วยทำต่ออีกที ใช่ใช่ครับตอนได้ครั้แต่ตอนนั้นทำให้คนรู้จักพระอาจารย์ขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนั้นนะครับได้ได้จากจากเฟซนี่แหละครับผมนักปฏิบัติเพื่อมรักผลพยายามเดินตามมรรคมีองแปดยังไม่สำเร็จในชาตินี้จะไปต่อยอดในชาติหน้าเพื่อความพ้นทุก์พิจารณาธรรมอริยสัจสี่ไตรักษทุกวัน จะฝังไว้ในดวงจิตปฏิบัติต่อเมื่อเกิดใหม่ได้ไหมครับมันยังไม่ฝังเท่ากับถ้าบรรลุขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือถ้าถ้าเป็นพระอริยะบุคค ล, ล้วมันจะฝังมันยังยังถอนไม่ถอนไม่ถอน ไ, ไม่หายมันจะไม่หายแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นี่มันยังเป็นสัญญาความจำอยู่มันยังมีโอกาสที่จะลืมได้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้นี้อริยาสาัจสี่ตายแล้วนี้มันจะถูกฝังอยู่ในใจของท่านแล้ว ท่านจะดำเนินชีวิตของท่านด้วยอนิยัตว์สีตายลับเพียอย่างเดียวแต่ก็มีนิสัยไปได้ใช่ไหมครับ อ, นนอาจารย์ก็มีนิสัยถ้ามีสายชอบปฏิบัติธรรมก็ยังจะปฏิบัติธรรมได้อยู่ะแต่ปัญญาจะลืมเลือนบ้างจาได้บ้างจาไม่ได้บ้างเพราะมันยังเป็นมันไม่ได้เป็นปัญญามันยังเป็นสัญญาอยู่ บทสวดมนต์แบบยอ่อที่ควรจะสวดทุกวันคือบทไหนดีครับระหว่างอิติปิโสหรือธรรมจกักหรือชินนบัญชรครับคือผูดตามความจริงไม่สวดเลยจะดีกว่าถ้านั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเลยจะได้ผลดีกว่าแต่ถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้เราก็อาศัยการสวดมนต์กล่องใจไว้ให้มันสงบลงในขั้นขั้นพอที่เราจะนั่งสมาธิได้แล้วก็นั่งสมาธิดูลมหายใจหรือบริการพุโทโธไปเลยจะดีกว่า ตอนที่เรานั่งปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิไปเลยคือแต่ว่าวันจิตมันฟุ้งเราก็เลยคิดได้อุบายว่าถ้าเราสวดส่วนบวชสวนพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งมันก็จะทําให้ใจเราหายฟุ้งได้แล้วไม่สวดเวลาที่นั่งสมาธิไม่ได้เราก็สวดบวชไปก่อนสวดพระสูตรพระติปฐานสูตรนี่แหละแปลเภาษาอังกฤษสวดไปจนถ่ารู้สึกใจเบาใจเย็นสบายก็หยุดสวดแล้วก็หันมาดูสมายใจต่อนั่งสมาธิต่อ ควาที่สวดก็อยู่ในท่านั่งสมาธิไปด้วยนะเหมือนกันนะอย่านั้นก็ทําสมาธิเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้นมไม่ได้ใช้พุทโธใช้บทสวดเป็นอารมณ์แทนหนูผ่าสมองหลายครั้งเจ็บปวดกายมากพอได้ลุยปฏิบัติกับพระอาจารย์ใหม่เมื่อได้ปัญญาจากพระอาจารย์ยอมรับในสิ่งที่เป็นทําให้เห็นใจทิ้งกายเลยเฉยๆกับร่างกายไม่ทุกข์กายเลยครับ อืมคนนี้ก็ป่าสมองมาหลายครั้งนะเข้าในห้องสูญทก็ระเทศเลยครับ ป, ปู่เป้เปท่านเป็นพยาบาลกับอาจารย์าเป็นพยาบาลได้ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะกับบริจาก ร, ร่างกายครับคือการบริจาคอวัยวะร่างกายเนี่ยมันมีประโยชน์กับผู้รับเนี่ย แต่มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์และมันอาจจะไม่ได้เป็นบุญกับเราถ้าเราบริจากตอนที่หลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าอยากจะได้บุญเราต้องบริจากตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เรารู้ว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักไปเช่นบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราจะได้บุญหรือบริจากตายไปข้างหนึงอย่างเงี้ยเราจะได้บุญคือเรามีความรู้สึกสุขใจที่เกิดจากการเสียสละของเราแต่ถ้าเราบริจาคหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เราไม่รู้เลยว่าเราข้อร่างกายเราไปทําอะไร อันนั้นเราจะไม่ได้บุญคือไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีไม่ได้รับความสุขใจจึงเรียกว่าไม่ได้บุญถ้าเราทําตอนที่หลังจากที่เราให้เขาตอนที่หลังจากที่เราตายไปแล้วแต่คนรับเนี่ยได้ประโยชน์คนที่เขาเาหัวใจไปคนที่เขาาตับเอาไตไปนี่เขาได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะให้ตอนไหนให้ตอนที่เรายังเป็นอยู่หรือให้ตอนที่เราตายไปแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์แต่คนให้นี่จะไม่ได้ ได้ได้บุญเฉพาะตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่ไมต้องให้ในส่วนที่พอแบ่งได้เช่นตาข้างหนึ่งตายข้างหนึ่งบอดข้างหนึ่งอะไรทั้งหมดนี่เลือดบรยจากเลือดอย่างเงี้ยหน้อยู่จะได้บุญวิปัสนาคือการนึกคิดพิจารณาใช่ไหมครับก็พิจารณานิยม ส, ส, สีกับตายรักเนี่ะเนี่ก็วิปัสนาให้รู้ว่าทุกเกิดจากอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เกิดความทุกข์จริงๆ มันที่ไม่เกิดความทุกขพิจารณาไปก็เป็นเพลงแต่เป็นทฤษฎีแต่ที่เวลาเราเราเศร้าโศกเสียใจสูญเสียลูกไปอย่างคุณคุณแม่ที่สูญเสียลูกไปเนี่ยเนี่ยเศร้าโศกเสียใจถ้าสามารถพิจารณาทางปัญญาได้ว่าความทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขายังไม่ตายแต่เขาตายไปแล้วจะไปอยากให้ให้ทุกข์ไปทําไมถ้ายามรับความจริงเขาตายไปแล้วเขาไม่มีวันที่จะกลับมาแล้ว เราหุ่นยาให้เขากลับมาหุ่นยาแม่ให้เขาตายใจเราก็จะหายทุกข์ราะนี้คือพิจารณาด้วยปัญญาใ น, ในขณะที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาถึงเรียกได้ว่าเป็นปัญญาจริงๆเพราะจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้แต่ถ้าพิจารณาตอนที่ยังไม่มีความทุกข์นี่เราไม่รู้จะเป็นปัญญาจริงหรือไม่เป็นปัญญาเพราะทุกข์ยังไม่เกิดอยากถามเกี่ยวกับการละกามครับ ในช่วงนี้วัยห้าสิบบวกแล้วด้วยเกิดการเบื in ่อหน่ายแล้วครับก็ดีคนศึกษาดูว่าดูส่วนไม่สวยงามของร่างกายคืออาการ32ของร่างกายเราเราศึกษาอาการ32ดูท่องชื่อมันไว้ก่อนแล้วก็เปิดนึกถึงภาพของอาการแต่ละอาการโดยเฉพาะอาการที่อยู่ใต้ผิวหนังตั้งแต่กระดูกเข้าไปเนี่ยโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตทั้งเผืน ไส้น้อยใส่ใหญ่เป็นต้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้แล้วมันจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายการเรียนถามพระอาจารย์ครับก่อนป่วยเจาะคอครับปฏิบัติสมาธิดูลมที่จมูกพอเจาะคอมาแล้วเกือบสามปีครับดูลมที่ท่อถูกไหมครับได้เหมือนกันที่ไหนก็ได้ที่ทําให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจิตกับใจใช้สิ่งเดียวกันไหมครับ ใช่ตัวเดียวกันเพียงแต่เราใช้ชื่อต่างกันเพราะใจ น, นี้มีสองสองส่วนส่วนที่เป็นความคิดกับส่วนที่มีความรู้สึกบางทีถ้าเราพูดถึงความรู้สึกเราก็มักจะพูดถึงใจถ้าเราพูดถึงเรื่องความคิดเราจะเราจะพูดถึงเรื่องจิตแต่บางทีก็ใช้สลับกันไม่ไม่แน่นอนตายตัวก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันแต่มีสองส่วน ทำสมาธิเวลานอนเพื่อต้องการหลับในสมาธิแต่บางคืนได้ยินเสียงตัวเองกรนเบาๆเหมือนร่างกายหลับไปแล้วแต่ยังมีสติและรู้สึกว่ายังไม่หลับควรจะปฏิบัติต่ออย่างไรครับทำอะไรไม่ได้ช่วงนั้นก็เป็นแบบช่วงที่เราไม่มีสติก็ให้รูกไปเฉยๆไั้เองการที่เราต้องอยู่กับคนคิดลบตลอดเวลาเพราะเขาป่วยเราควรจะวางลงอย่างไรครับ ก็คิดก็พอเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศอ่ะบางคนก็เป็นเหมือนฝนบางคนก็เป็นเหมือนลมเราไปควบคุมบังคับไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราจะคิดว่าเขาเป็นผลปรไม้ก็ได้บางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยเราก็ต้องอยู่เข้าไปถ้าเราต้องอยู่กับเขาต้องเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากไปเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างอื่นโยมขอโอกาสเรียนสอบถามครับ อหนงครับถ้าเคยถวายผาราไตรแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วไม่ถวายอีกเลยได้ไหมครับเห็นคนถวายพราไตรจำนวนมากเกินความต้องการของวัดและอยากเปลี่ยนถวายเป็นอย่างอื่นมากกว่าครับได้ความจริงเนี่ยการถวายของเนี่ยต้องดูว่าความจำเป็นของผู้รับว่าเขาขาดอะไรจะดีกว่าถ้าเขาขาดผไตรล้วก็ถวายพ้าไตรไปถ้าเขาขาดที่ว่าไอ้ถ้าเขาขาดอาหารแล้วก็ถวายอาหารไป ถ้าขาดยาบางทีพ้ะแม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปรักษาพยาบาลแต่ไม่มีเงินไปนรักษาพยาบาลถ้าเรารู้เข้าวเราก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับท่านไปก็ได้อย่างตอนที่เราไปทําฟันที่โรงพยาบาลพอดีเจอลูกศิษย์คนหนึ่งที่ก็ามาทมําำประจําไปเจอที่คลินิกไปเจอที่เราโรงพยาบาลเขาก็รู้ว่าเรามาทําฟันเขาเลยขอขอขอเป็นสปอนเซอร์จ่ายค่ารักษาทั้งหมดให้ครับผม แ, แล้วก็มีพวกหมอเขาดูแลยอยู่แล้วพวกหมอที่รับไปเขาก็เขาก็เขาก็เป็นสบัสเจ้าอยู่นะแต่โยงเขากอมาเป็นเป็นส่วนร่วมด้วยแล้วขอเป็นสวัสดิ์เจ้าหลักใชไหมครับอ่าอันนี้ก็นัา แ, แต่ต้องดูครับความจาเป็นของผู้รับเนี่ยเวลาเราให้ของใครเรามักจะคิดก่อนว่าเ้าขาดอะไรใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้อทหารเขากาดกระสุนเนี่ขาดปืนนี่เราจะไปเอาเอาเสื้อผ้าไปให้เขามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสื้อผ้าเขามีอยู่แล้ว เขาดูค่ะความจําเป็นว่าเขาขาดแค่อะไรเขาต้องการอะไรก็ให้ในสินะ่งนั้นที่ปัญหาเขาพลาคคือขอไม่ได้บอกไม่ได้หเขาจะบอกว่าขาดนู่นขาดนี่ไม่ได้นอกจากว่าถ้าเป็นญาติโยมที่ได้ปรานาตัวไว้ก่อนเช่นถ้าคุณหมอบอกว่าถ้าท่านต้องการอะไรบอกผมได้ถ้าเราต้องการเราก็จะบอกคุณหมอได้แต่ถ้าอยู่ดีๆรู้จักกันแต่ไม่เคยปรวานาตัวเราไปขอเขานีไปบอกเขาว่าขาดนู่นขาดนี่พูดไม่ได้ อาจารย์ครับภาวนานทีเดียวก็พอเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราภาวนาแบบไหนไงตลอดชีวิตเลยก็พูดไปให้มันเอท่านอีกาศแคอะไรก็บอกผมนะถ้าผมยังมีชีวิตอยู่แล้วผมมีความสามารถจะถวายท่านได้ผมก็ยินดีเราก็ต้องมีมีทางออกด้วยอย่าไ ป, ป ร, รับแบบว่าเมื่อตายเมื่อตายตัวแล้วถึงเวลาทีเราไม่สามารถทำได้มันก็จะเสียเสียสัจจะได้ก็ต้องมีท่าไว้บ้างถ้าผมมี ถ้าหนูมีปัญญาที่จะตอบสนองความต้อาการของท่านหน้าผมก็อยาขอขอขอทำตามที่ท่านต้องกา ร, รข้อสองครับถ้าตอนมีชีวิตอยู่ถวายพาย้าไตรพระสุปฏิปันโนตลอดแต่เมื่อตายไปตามปกติในงานศพจะไม่สามารถเลือกพระได้ดังนั้นอยากเรียนสอบถามว่าถ้าในงานศพเราไม่ต้องถวายผ้าไตรได้ไหมครับ ก็เขาเป็นธรรมเนียมเขาถอยเขาบวชเขถอยไปแล้วก็บุญที่เกิดไม่ได้อยู่ที่บุญไม่ได้เกิดไม่ได้อยู่ที่พระผู้ละมาเป็นพระอริยะหรือไม่พระสุปฏิบันโ น, นหรือไม่เพราะบุญที่เกิด น, นี้เกิดจากาการที่เราเสียสละทรัพย์ของเราให้กับบุคคลนั้นไปซื้อของซื้อผ้าตายไปให้บุคคลนั้นยังจะถอยผ้ารูปไหนก็ได้ได้บุญที่เกิดจากการเสียสละนี่เท่ากัน อาจารย์ครับพี่บอยหาคําตอบมาให้แล้วนะครับในเพจพระอาจารย์ถูกสร้างเมื่อ26มีนา2556ครับ uh oh. เป็นโพสต์แรกในยู u ูบธรรมะบนเขา30มิถุนา2556ครับอาจารย์ครับเนี่ยนั่นยูทูบเหรอหรือเพจด้วยทั้งสองอย่างเลยครับอาจารย์น ใ, ในในในในเพจนี้26มีนาครับอาจารย์ครับใน youtube มามีวันที่30มิถุนาครับผม uh huh. เฟซบุ๊กก่อนแล้วครับมาเปิดยูทูบต่อแต่ตปีห<ง>้าหกก็สิบสองปีประมาณสิบสองปีโชว์นั้นก็แสดงทำทุกวันเลยเจ้าใหม่ๆตอนนั้นเ<ร><ร>ถือนกำลังไลฟ์สดกันอยู่ไไตอนอนี้กำลังหัดไลฟ์กัเค คนที่ยืมเงินเราไปนานสองปีแล้วยังไม่ใช้คืนถือว่าเขาผิดสีนข้อสองไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขามีกําหนดเวลาใช้คืนเมื่อไหร่หรือเปล่าถ้าข อ, อยืมไปแล้วไม่ได้กําหนดเวลาจะใช้คืนเขาก็ยังไม่ผิดสินว่าเขายังเขายังไม่มีเวลาและยังไม่มีเงินที่จะมาคืนเราแต่เขาก็ว่าจะบอกว่าจะคืนวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้ากำหนดว่าจะคืนวันนั้นวัน น, น, น, นี้แล้วเขาไม่ได้คืนอย่างนี้นถือว่าเขาผิดสัญญา แต่เขาบอกเขาจะคืนแต่เขาไม่ได้บอกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆก่อนรอไปจนกว่าเขาจะตายนะพอสายเขาตายแล้วดีรู้แน่ว่าเขาไม่เคยทำนะเี่เขาก็ยังติดเราอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เจน่เจอกันเขาอาจจะต้องเสียเงินมาให้เรา เรียนพระอาจารย์ครับช่วงนี้ดูข่าวแล้วมีอารมณ์ต่อว่าเขาไปด้วยจะบาปไหมครับก็ถ้าพูดจาไม่ดีพูดจาให้ร้ายเขามันก็บาปครับฉันจะพูดอะไรก็พูดดีๆเดี๋ยวอย่าให้ร้ายคนอื่นอย่าพูดอย่าไปว่าร้ายคนอื่นอาจจะไม่เป็นบาปใหญ่ก็ตามแต่มันก็เป็นการพูดที่ไม่ควรจะพูดดูข่าวแล้วก็เฉยๆไปก็แล้วกัน ถ้าห้ า, หาวันลมไม่ได้ก็อย่าไปดูมันมีคนเอาบทสวดมนต์ไปใส่ทํานองดนตรีแล้วร้องเหมือนเพลงแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ครับก็เป็นที่นิยมของทางโลกก็แม่เยังติดทางดนตรีอยู่บาง ท, ทีก่อนจะแสดงธรรมเทศนาบางทีก็มีดนตรีประกอบขึ้นมาก่อนซึ่งความจริงมันไม่จําเป็นจะต้องมีแหละทางโลกก็คิดว่าถ้ามีแล้วมันจะทําให้เกิด สีสันขึ้นมาทําให้เกิดความน่าสนใจขึ้นมาแต่ผู้ตามความจริงแั้วจะน่าสนใจไม่น่าสนใจอยู่ที่เนื้อหาสาระของของธรรมมากกว่าและอยู่วิธีการของผู้แสดงว่าแสดงแล้วมีเกิดมีได้ประโยชน์มากน้อยมากกว่าเนี่เป็นตัวสําคัญกว่าแต่ทางโลกเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นทางโลกเขามักจะคิดถึงรูปแบบเอทํารูปแบบที่แนละ้วมันดูแล้วน่ามันน่าน่าดูน่าชมนะอะไรแนี้น่าฟัง แต่ทังวัาตา น, นี่เวลาเทศไม่มีด น, ดนดนตรีประกอบเวลาลวงตาเทศที่วันไม่มีหลวงตาไม่มีการเปิดดนตรีก่อนครับเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรครับก็นี่หลก็ต้องยอมตายนะเพราะสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือความตายถ้าเรายาวตายแล้วเราก็จะหายกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ามีคนทําร้ายเราแค้นไม่ให้อภัยอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมครับถ้าเรายังไม่ไปตอบต้องเขาก็ยังไม่บาปนะแต่ถ้าเราไปร้านแค้นไปทําร้ายเขานี่เราก็บาปด้วยเขาการบริจาคเงินเพื่อให้กองทัพไปจัดซื้ออาวุธอย่างนี้ได้บุญหรือได้บาปครับได้บุญเพราะเราบริจาคเงินไปเราก็เสียสละเงินทองไปอส่วนคนทเอาไปใช้ไปฆ่าคนเขาก็ได้บา ถึงมันจะทำหน้าที่ป้องกันประเทศก็เหมือนกันก็ยังเป็นบาปอยู่แต่ก็จาเป็นที่เขาต้องทำงันเพราะอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีการรักษาชีวิตของตนไว้แต่ถ้าต้องการที่จะปฏิบัติทาขั้นสูงเราก็ต้องเราก็ต้องไม่ไปทำบาปเราต้องเปลี่ยนอาชีพเราก็อย่าไปเป็นทหารไปเป็นหมอแทนเป็นพยาบาลแทน เวลาที่กวาดใบไม้กําหนดรู้อยู่ที่ไหนครับรู้ที่การกวาดเนี่ยอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายของเราอยู่ที่ไม้กวาดที่เรากวาดอยู่ที่มือของเราแล้วก็อยู่ที่ทั้งหมดอ่ะทั้งใบไม้ด้วยทั้งที่เรากวาดด้วยมันก็ต้องครบถ้วนทั้งขบวนการเพราะถ้าเราไม่ดูใบไม้แล้วกวาดผิดกวาดถูกอีกต้องดูทั้งใบไม้ดูที่ดูที่ไม้กวาดของเราว่าไปกวาดถูก ถูกไฟหม้หรือป่ากวาดหนักกวาดเบาก็มีต้องรู้ด้วยนะวัดป่านี้ท่านมีวิธีกวาดถ้าไม่ให้หนักเกินไปกวาดหนักเกินไปมันจะขูดดินขึ้นมาด้วย ด, ดินติดขึ้นมาทําให้ทางดทางนั้กลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นหุบ เ, เหวขึ้นไปแล้วสองข้างทางจะเป็นภูเขาขึ้นมาสังเกตดูวัดบางวัดนี่เขากวาดจอทั้งดินขึ้นมาอยู่สองข้างทางนั่นกุญกาก็เป็นเหมืนกับเป็นเป็นล่องไปเลยทางเดินก็กลายเป็นล่อกไป ท่านไม่ขีดกว่าท่านพยายามจะกว่าเพียงแต่ใบไม้ไม่ให้กว่าดินอันนี้ต้องมาลเอียนิดหน่อยในการฝึกสมาธิเราควรกำหนดเวลาหรือนั่งไปเรื่อยๆดีครับแต่พอไม่กำหนดเวลาก็จะนั่งได้สั้นลงครับต้องกำหนดสติอย่าไม่กำหนดเวลาถ้ามีสติแล้วมันจะนั่งได้นานเองถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันก็นั่งไม่ไหวมันก็ทนไม่ไหว อยู่บ้านคนเดียวปฏิบัติทั้งวันสามารถจะบรรลุทำได้ไหมครับไม่อยากจะไปบวชชีครับเพราะเคยบวชแล้วไม่ชอบเพราะคนเยอะครับก็ปฏิบัติถูกหรือเปล่าเนี่ยมันต้องอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนีคือปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติดีกอปปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะบรรลุได้ถ้าไม่ได้กําหนดว่าจะต้องอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่กับใครที่ไหน อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอโอกาสกลับเรียนถามครับคําว่าผวังมีอาการเป็นอย่างไรและจะเกิดขึ้นตอนไหนครับคือการการเข้าสู่ความสงบ ม, มีสองแบบผวังหลับกับผวังผวาตื่นคือหมายความว่าถ้าไม่มีสติเวลาเข้าผวังมันก็จะหลับไปเรียว่าผวังหลับ ถ้ามีสติเวลาจิตเข้าผวางังจิตเข้าสู่ความสงบอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิผวางสมาธิมีสองลูปแบบด้วยกันถ้ามีสติเวลาเข้าผวางังมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสติมันก็จะเป็นการนอนหลับไปเป็นผวางหลับมีคนบอกว่าอยากให้พระอาจารย์มาปโปรดที่แถบนนทบุรีบ้างครับก็นี่งไงไปถึงนี่นะตอนนี้แล้วจะให้ไปยังไง สมัยนี้ช่วงดีเรามีสื่อสารไม่ได้องไปด้วยตัวเองไปได้ทั่วโลกเลยทุกคนที่ติดตามนี่เชื่อว่ามีคนจากต่างประเทศติดตามอยู่หลายคนด้วยกันสังขารไม่ใช่ตัวเราแล้วความคิดใช่ตัวเราไหมครับไม่ใช่ันัจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เรียกว่าธรู้ธาตรู้มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกนักคิด ความรู้สึกนั้นคิดนี้ก็เป็นคุณสมบัติของธาตุรู้ไม่ใช่โตดต่นมีความคิดแต่ไม่มีผู้คิดมีความรู้สึกแต่ไม่มีไม่มีผู้รู้สึกมีความรู้แต่ไม่มีผู้รู้มันเป็นธรรมชาติของคุณสมบัติของธาตุรู้อยากได้หนังสือที่พระอาจารย์แจกช่วงปีหกสองหกสามจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ของพระสุชาติ com เนี่ยไปที่หน้าหนังสือจะมีหนังสือต่างๆของเราทั้งหมดที่เราได้พิมพ์เอาไว้สามารถไปค้นหาดาวน์โหลดเป็นไฟล์ได้ PDF ได้ทำบุญแล้วเงินหมดใจทุกแบบนี้จะได้บุญไหมครับได้บุญถ้าถ้าเราไม่บีปความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการทาทำบุญเงินหมด ควาทุกข์ก็คือการอยากจะมีเงินแล้พะพอไม่มีเงินมันก็เลยทุกข์เท่านั้นเองคนเราเลื่องกันต้องแยกออกให้ได้การทำบุญนี่เป็นความสุขเวลาเราทำบุญน้องยังเปความสุขใจแต่เรามาทุกข์ใจเพราะว่าเราไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินนย่านี้เราก็ต้องรู้จักประมาณการทำบุญก็ต้องรู้จักประมาณว่าทำตามกำลังของเราไม่ให้ใจเราทุกข์โดยจากการที่เราไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงดูเรา สวดมนต์ก่อนนอนสวดบทไหนดีครับได้ทุกบทนะเหมือนกันถ้าเรายอมตายไปนั่งสมาธิบนเขาชีโอนแล้วโดนงูพิษกัดกลางคืนไม่มีคนช่วยต้องทำยังไงครับก็เดินลงมาหาหมอเลยเดินไปโรงพยาบาลคือ คือเรายอมตายแต่ถ้าเรายังรักษาได้เราก็รักษาไปเพราะร่างกายยังมีคุณค่ามีความมีประโยชน์อยู่ถึงแม้ว่าเราจะอาจจะบรรลุทำขั้นสูงแล้วถ้าเรายังไม่ตายเราก็สามารถเอาทำขั้นสูงนี้มาสอนคนอื่นได้แต่ถ้าเราถ้าเรายังบรรลุไม่ถึงทำขั้นสูงเราก็ยังจะได้ใช้นั่งกายปฏิบัติทำขั้นต่อไปได้ ถ้าเรายังรักษาได้ก็รักษาแต่เราไม่ไปรักษาเพราะเรากลัวกลัวตาไปอย่างไรแล้วรักษาเพราะเห็นว่าร่างกายเป็นของที่มีคุณประโยชน์ที่เราควรจะเก็บรักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ไม่ทุกข์กับมันถ้าเกิดจะต้องทุ่นเสียมันเวลาใดขึ้นมาอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ที่มีคนถามว่าใส่ท่อที่คอพอดีเน็ตเขาหลุดไปครับก็เลยขออนุญาตตอบแทนอาจารย์ว่าหลัง เจาค อ, อแล้วดูลมที่ท่อได้ไหมกบอาจารย์บอกว่าได้นะครับอืโรคซึมเศร้าที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนสามารถรักษาได้ด้วยการทําสมาธิไหมครับตามหลักของของของขอ ง, ของการปฏิบัติจิตของทางศาสนาเนี้ท่านว่าขัาเศร้าหรือความซึมเศร้านี้เกิดจากความผิดหวังความทุกข์ใจความใจแั่นก็ลยอาการซึมเศร้าขึ้นมา เกิดจากความอยากอยากในสิ่งต่างๆแล้วไม่สามารถได้สิ่งที่อยากได้ก็เลยเกิดความเศร้าใจเสียใจขึ้นมาการจะรักษาต้อรักษาที่ใจไม่ได้รักษาด้วยกยารอื่นต้องรักษาด้วยการทำใจให้สงบหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้พอเราทำใจให้สงบหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะหายเศร้าใจก็จะเบิกบานขึ้นมา มีคนที่ตายแล้วมาเข้าฝันว่าถูกฆ่าแล้วควรจะทําอย่างไรครับเยก็โดยทํามเนมของชาพูทธเราเราก็ทำบุญใส่บาตรและอุทิศไปให้เขาหรือทําุญด้วยวิธีอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะทำกับวัดกับกับพระก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับใครก็ได้ทําแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาเราก็สามารถส่งความสุขนี้ให้กับคนที่เพิ่งตายไป รายงานการปฏิบัตินะครับวันนี้ทานนือ้อมื้อเดียวเป็นวันแรกฟังธรรมตลอดเวลาที่ทํางานบ้านทําวันหยุดให้เป็นวันพระอีกวันตอนบ่ายร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิรอบนี้นิ่งขึ้นมากครับพระอาจารย์ครับอ่ายิ่งทํามากเท่าไหร่ยิ่งจ ะ, จะสงบได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติสติเป็นหลักโยมีเรื่องจะขอเมตตาพระอาจารย์สอบถามเรื่องการปฏิบัติครับโยมีอาการจิตตื่น สติกับรู้มันเกิดตลอดแล้วมันเหมือนตีกันอยู่ข้างในจนเหมือนนอนไม่หลับโยมต้องปฏิบัติอย่างไรครับต้องใช้สติหยุดมันนะวามเตือนนี่ไม่ใช่เป็นผลของสติหรอบถ้าเป็นเป็นผลของสติจะไม่เตื่นจะรู้แต่ไม่เตือนจะไม่คิดฟุ้งซ่านอันนี้ไม่ใช่เป็นผลของสติมันเป็นผลของการความคิดฟุ้งซ่านเท่ามากกว่า นั่ต้องหยุดความคิดด้วยการเจริญสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าไม่มีโอกาสได้มาทำบุญกับพระอาจารย์ที่วัดแต่โอนเงินทำบุญเข้าบัญชีพระอาจารย์ได้บุญเท่ากันไหมครับได้ได้เหมือนกันนะ การถวายยารักษาโรคให้พระสงฆ์และให้ผู้ยากไร้จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีหายเจ็บป่วยได้ไหมครับไม่ได้หรอกต้องให้ให้ตัวเราเราต้องกินยาอะไรยางนได้มีสุขภาพดีให้คนอื่นแล้วเราไม่กินยาเราก็สุขภาพเราก็จะไม่ดียามีไวสำหรับรักษาสุขภาพของคนอการทําบุญทาทานในรักษาสุขภาพของจิตได้ทําให้จิตมีความสุขวเวลาทําบุญทําทานให้ของคนอื่น ทำแล้วเราจะมีความสุขใจแต่ไม่ได้ทาไม่มีความสุขทางร่างกายร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้การทำบุญใส่บาตรพระกับการให้ทานคนยากไร้อย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับเท่ากันเถอะพระอาจารย์ท่านได้อยู่ หลวงพ่ออินถวายอยู่วัดหน้าป่าผมเอาไม่น่าใช่วัดป่าผมไม่ใช่นะครับวัดปราวัดตาหรื่วัดนาคําน้อยวัดนัดป่าเราไหมก็เคยอยู่ด้วยกันโชงอยู่หลายปีด้วยกันบก็ตหลังจากท่านก็ไปไปสร้างวัดนาคําน้อยวัดป่านนาคําน้อยช่วงไปปลายเราอยู่ที่นั่นแปดปีช่วงช่วงหลังๆนี่เสด็จพระท่านไปสร้างวัด หลังจากที่อยู่กับท่านคงจเกือบตลอดเวลาเท่าที่จำได้ท่านก็บางทีท่านไปท่านไปไปมาช่วงมึงได้มีเรียนพระอาจารย์ครับมีความรู้สึกไม่สบายใจในการกระทำแบบละเอียดละเอียดขึ้นมาขอคำแนะนำครับให้ท่องพุทโธหรือดูลมหายใจครับก็ได้ทั้งสองอย่างถ้า ชอบแบบไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นาใช้พุโทโธได้ก็ใช้พุโทโธไปถ้าชอบดูลมหายใจก็ใช้ดูลมหายใจไปรู้ว่าไหนได้ผลดีสำหรับเราแล้วกันถ้าจำเป็นต้องเลือกปฏิบัติได้เพียงอย่างเดียวระหว่างสวดมนนั่งสมาธิเดินจงกรมเนื่องจากเวลาปฏิบัติมีน้อยพระอาจารย์แนะนำแบบไหนครับนั่งสมาธิดีดีสุดถ้านั่งสมาธิไม่มก็อาจจะต้องสวดมนไปก่อน แม้ว่าถ้านั่งสวนมนก็ยังหลับอยู่ก็าอาจจะเดินโยงกรมไปก่อนมก็แล้วแต่ภาวะของจิตของร่างกายตอนนั้นเรามันอาจจะเมาออกว่ากันการถือศีลแปดในวันพระได้บุญมากกว่าถือศีลห้าไหมครับแน่นอนการถือศีลแปดเพราะเราห้ามจิตห้ามใจได้มากกว่าศีลห้าทำให้ใจตัดกิเลสได้มากกว่า ทหารจะเขมรยิงกันฆ่ากันตายใครบาปครับก็บาปด้วยกันทั้งคู่การฆ่านี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฆ่าด้วยสาเหตุัใดก็ตามก็บาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักจะหนักรูอเบาท่านเองต่างกันตรงนั้นเมื่อวานนั่งสมาธิแล้วจิตสงบมากครับอยากให้สว่างอยู่อย่างนั้นครับก็ทํำไมแต่เวลาทําก็อย่าประหยาก ถ้าอยากให้มันสว่างแบบข่าวก่อนมันจะไม่สว่างเราต้องจําวิธีนั่งของเราเวลาที่เรานั่งแล้วสว่างสงบว่าเป็นอย่างไรแล้วเราเรามานั่งใหม่เราก็ใช้วิธีนั้นต่อได้เลยก่อนที่เราจะเริ่มนั่งสมาธิเราบอกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบก็สังเกตดูให้จดจำวิธีนั่งว่าเรานั่งแบบนี้แล้วทําให้จิตสงบแล้วคราวหน้าเราก็มานั่งแบบนี้ต่อมันก็จะสงบต่อ ถ้าเราไม่จําไว้แล้วเอามานั่งแล้วมีแต่ความอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบเรื่ความอยากเคยนั่งสมาธิแล้วเหมือนตกหลุมหลายหลุมแล้วกลายเป็นจุดหมุนหมุนอยู่อย่างนั้นอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับก็จิตยังไม่สงบเต็มที่จิตยังยังไม่นิ่งก็ให้รู้เฉยๆไปให้กลับมาดูที่นมไปถ้าเราใช้ลมเป็นกรรมฐานก็กลับมาที่กรรมฐาน อไปตาามรูเะวที่กกลังิดขึ้นิดสภาวะเพ่งลมหายใจครับอยากทราบอยากกราบแนะนำขอเทคนิควิธีแก้อาการครับก็ไม่ไม่เสียหายยังไงในการเพ่งลมหายใจก็เป็นวิธีทําให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ไม่ต้องแก้หรอกก็ดูลมหายใจไปเพ่งก็เพ่งกันดูมันก็คำเดียวกันใช่ไ ดูที่ปลายจมกูกลมเข้าเขรู้ว่าลมเข้าขลมออกเขาขรู้ว่าลมออกให้ลูกช้เฉยๆนี้ไปแล้วจิตก็จะหยุดคิดแล้วเราจะนน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคนรู้จักขอความช่วยเหลือเขาเป็นหนี้นอกระบบเขาทยอยยืมเลยทยอยกดบัตรเครดิตรวมเป็นล้านให้เขามาจ่ายห น, นี้นอกระบบแล้วให้เขาทยอยจ่ายเราแล้วเขาหนีไปแล้วตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายบัตรเครดิตทําอย่างไรดีครับก็ต <c oughs> ิดคุกไปเลย พระอาจารย์ครับทุกวันนี้กลัวที่สุดคือกลัวเป็นอัลไซเมอร์กลัวว่าจะจําพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอนจะสิ้นอายุไขัครับวิธีแก้ก็คือให้นึกถึงพระเจ้าทุกวันตลอดเวลาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจะไม่มีวันหนึงในเวลาที่ได้ให้ทานมีใจให้คือไม่ได้หวงในทรัพย์สินที่ให้ไปแต่ก็ไม่ได้มีใจยินดีหรือรู้สึกว่าไม่ได้ ว่าได้ทำความดีนับว่าได้บุญหรือกุศลหรือไม่ครับ <c oughs> คือบุญเราทำบุญนี่มันมีสองส่วนบุญที่เกิดจากการให้มันจะทำให้เราชนะความตันดีทำให้ใจเรารู้สึกมีความสุขที่เราได้ให้ของนี้ไปแต่จะความเพิ่มปิตินี้มันอาจจะไม่เกิดเพราะการให้มันอาจจะให้แบบที่เราไม่ชอบให้ถ้าเราไปให้แบบที่เราชอบให้เราอาจจะได้ความเพิ่มปิติด้วย ขอวิธีลดกรรมจากภรรยาที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราครับก็เฉยๆไปอย่าตอบโต้เขาเขาจะว่าอะไรเขาจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ปล่อยเข า, าพูดไปว่าไปทำไปเราก็เฉยๆไป สวดมนต์แบบมีทํานองสูงต่ํามีเอื้อนมีผลต่อจิตใจมีผลต่อการปฏิบัติธรรมมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรครับเราก็ไม่เคยสวดแบบนี้มาก่อนสวดแบบธรรมดาเนี่ยนะคือการสวดนนเพื่อเพื่อเป็นการย้ำย้ำความคิดต่างต่อ เ, เมื่อใจเราต้องสวดเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเนี้ได้เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับ ก็ให้รู้ว่ากลายเป็นอะไรไงรู้ว่ากลายเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกข์อนัตตาเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกข์อนัตตาเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายแม่แฟนชอบพูดจามไม่ดีชอบพูดคำหยาบเป็นลูกสะพ้ยท่านได้สอนให้ท่านใจเย็นไม่พูดคําหยาบไม่กล่าวว่าร้ายกันอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขสอนท่านให้คิดแบบนี้เราในฐานะลูกจะบาปไหมครับ ถ้าสอนได้ก็สอนไปก็สอ น, นอาจารย์จะไม่พอใจแต่ถ้าคุยกันได้ก็คุยกันได้บอกได้แต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ท่านบางังท่เนไม่ชอบให้เด็กมาสอนเอานถ้าเราไม่อยากจะมีปัญหาเราก็อาจจะต้องกราบขออนญุญาตก่อนค่ะขอสอนหน้าหน่อยได้ไหมแม่บอกโอเคสอนได้ก็สอนไป ถวายปัจจัยร่วมบุญสร้างสาราโดยใช้คําว่าอุทิศให้ผู้ตายชื่อผู้ตายจะได้บุญไหมครับได้ถ้าเราอุทิศไปให้ผู้ตายถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับเพื่อนเป็นเส้นเลือดสมองตีบตอนนี้ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดิฉันได้แต่โทษตัวเองว่าทําให้เพื่อนต้องเป็นโรคนี้ทุกข์ใจมากดิฉันจะทายบาปอย่างไรดีครับก็มันเป็นเรื่อง ถ้าเราถ้าเราไปทำให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องชดใช้เขาด้วยการดูแลเขาให้ดีเนการถ่าบาปไม่ใช่เป็นการไปไปไปทำบาปด้วยวิธีอื่นก็ต้องดูแลเขาไปเพื่อช่วยพยายามรักษาพยาบาลให้เขาให้เขาหายกลับมาเป็นปกติให้ได้ทาทำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับดอกไม้ทูบเทียนที่วัดเวียนกลับมาให้บูชาพระหนูรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยครับก็เป็นวิธีที่ทางวัดจะได้มีรายได้ครับวัดเนี่ยเพราะเดี๋ยนี้ว่าทฉ่าแต่ละวัดมีรายจ่ายเยอะมีค่านั้งเข้าไฟอะไรต่างๆมากแล้วก็บางทีก็มาทําบุญบริจารคก็ไม่พอเขาก็เลยอาศัยการที่มีของที่ญาติโยมมาถวายแล้วมันยังดีอยู่พระก็ไม่ได้ใช้ ก็เรยเอามาเวีนขายอีกรอาอย่างสองรอบไปก็อย่าไม่อยาไปคิดอะไรเลยเป็นเป็นอุบายของวัดเพื่อที่จะได้มีไรายได้เข้าวัดถ้าทำเพื่อเพื่อใจที่บริสุทธิ์นะจําทําเพราะมันเปความจำเป็นจริงๆเพราะวัดก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายมีการต้องมีการดูแลใช้วัดเก่ามันก็ต้องมีต้องซ่อมแซมมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดถ้าเราอยากจะให้วัดของเราอยู่ในสภาพที่สวย ง, งามสมบูรณ์ ก็ต้องต้องเข้าใจหลักนี้แต่ถ้าเขาหาเงินเพื่อไปใช้ส่วนตัวนี้ก็ไม่ควรแต่ถ้าหาเงินเพื่อเข้ามาใช้กับความจาเป็นของวันนี้ก็ ก, ก็ก็น่าจะเห็นใจกันผู้ใหญๆนั่งสมาธิแล้วร่างกายเองลงไปข้างหน้าเองโดยที่เราไม่ได้หลับถือว่าได้สมาธิไหมครับแล้วเราต้องมาคับกายให้ยืดตรงขึ้นมาใหม่หมครับเวลาที่นั่งเราไม่ต้องไปบังคับร่างกายนะ มันจะเอนเจอทางไหนก็เรื่อของมันถ้ามันเอนก็แสดงว่าสติเราไม่ค่อยดี ถ, ถ้าสติดีร่างกายมันจะนิ่งเฉยมันจะไม่ขยับเขามาแก้ที่สติ ด, ดีกว่าเราพยายามฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราสามารถฝึกสติดได้ในระหว่างวันทั้งวันเลยสามารถเลิกถึงพุโทโธพุโทโธไปในใจได้อยู่เรื่อยๆหรือสามารถผูกใจไว้อยู่กับกร่างกาย ร่างกายทําอะไรก็เฝ้าดูร่างกายไปแล้วเราจะมีสติมากขึ้นพอมีสติมากพอแล้วเวลานั่งจะร่างกายจะไม่ขยับร่างกายจะนิ่งเฉยทำอย่างไงเราถึงจะรู้ว่าเราถึงจะรู้ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราในทางปฏิบัติจริงครับก็เบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาดูความจริงก่อนว่าร่างกายมัน มันทําด้วยอะไรประกอบจากอะไรมามันก็ประกอบจากธาตุสี่ดินน้ำํำลมไฟเข้ามาแล้วเวลาร่างกายตายไปมันก็แยกคืนไปสู่ดินน้ำํำลมไฟไปถ้าเราเข้าใจทฤษฎีแล้วเราก็รู้ว่าร่างกายนี้วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำํำลมไฟไปถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราได้ปล่อยวางหรือไม่ก็คือเราเราเฉยๆกับวันไป ถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปถึงเวลามันจะเจ็บถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเจ็บไปตายไปอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้จะเถือว่ามันตัวเราของเราคือไม่หวงมันไงคํำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับในชีวิตประจําวันพยายามรู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามมีสติให้รู้ทันความคิดแต่แล้วมักจะรู้ตามในภายหลังเสียมากกว่า กราบขอปัญญาจากพระอาจารย์เราจะสามารถพัฒนาตนได้อย่างไรครับคือเรือ่องต้นเนี่ยเพิ่งเป็นรู้ทันความคิดว่าเราความสติเราไม่ไม่ทันมันหรอกเราต้องสร้างสติให้มากขึ้นด้วยการให้มีสติอยู่กับคําบริการพุ่โทแทนและให้มีสติโย ก, การเคลื่อนไหวของร่างกายแทนไปก่อนอย่าเพิ่งเป็นตามความคิดความคิดมันเร็วกับเรามากให้เรามีสติให้มันทันความคิดจากแล้วค่อยมาดูความคิดต่อไป โ อ, อกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ581ในยู638ในรับ9ในติกต็อก487นะครับรวม 1,715 คนครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา27นาทีครับรอาจารย์ตอบไป779คำถามครับผมก็ยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาสัมมนาธรรมถามตอบคำถามให้กับท่านทั้งหลาย หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะจะได้เป็นเครื่องนำทางไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปสำหรับ ก, การสราธรรมสำหรับคนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงอามาเสร็จที่ท่านได้หยุดในฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปท่าสาธุอ่า ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดข้องใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกลับขอบพระคุณภาจารครับ